วันนี้ใครเฝ้านะร้านอะมีใครเฝ้าร้านรัเปล่า่ะปิดเลยปเลยยอมขาดทุนอยอมเสียเงิ น, ง เ, งนเอาทำมาดีกว่านีใช่ค่พระพุทธเจ้าให้เลือกถ้าเราต้องเลือกระหว่างรั์กับทำให้เลือกรับนะ ต้องเลือกระหว่างอวัยวะกับธรรมตอนนี้เราก็มาปิดอวัยวะปิดตาหูจมูกเล่นกายเพื่อทํำแล้วถ้าต้องเลือกระหว่างชีวิตกับธรรมก็ให้เลือกเอาธรรมเพราะชีวิตนี่เดี๋ยวก็ต้องเสียอยู่ดีผู้ปฏิบัติธรรมนี่ถ้าต้องการทำต้องยอมตายถ้าไม่ยอมตายจะไม่ได้ทำ ความรักตัวกลัวตายนี่มันจะขวางไม่ให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมจะเห็นธรรมได้ต้องยอมตายยอมอยู่ป่าอยู่เขาอยู่กับสิงสารสัตว์นี่กับภัยอันตรายต่างๆถ้ากลัวตายก็ไปอยู่ไม่ได้ ถ้าไม่กลัวตายยอมตายก็ไปอยู่ได้ไปอยู่แล้วก็จะบรรลุธรรมได้เพราะที่บรรลุธรรมต้องเป็นที่น่ากลัวที่สงบที่เงียบวังเวงหวาดเสียวอยู่ป่าช้าอ ย, อย่างนี้อยู่ในป่าลึก มีสิ่งสารสัตว์รอบด้านรอบตัวที่เหูือาัยก็ไม่มีปกปิดอยู่โคนไม้กลางกดกลางล่มกลางกรดกลางล่มพระธุดงนี้ท่านจะมีร่มอั น, นเรียกว่ากดแล้วก็มีมงุงที่จะสวมเข้าไปที่ที่ที่อะไรที่ร่ม ที่กรดล้วก็จะห้อยลงมาเป็นเหมือนกับเป็นบ้านเป็นที่ครอบการยุงกันอะไรได้นั่งสมาธิในกรดนอนในกรดเขาอยู่กันแบบนั้นพอถึงวันลุกกันตอนคืนนอนพระอญญาจารย์บางรูปท่านบอกตื่นขึ้นมานี่เห็นรอยเท้าเสือเดินเต็มไปหมดเลยแต่มันไม่ทำมันไม่ทำพระ ทางจงกมที่ท่านกวาดเมื่อนีนตอนเช้าลุกขึ้นมาดูว่ามีรอยเสือเดินไปเดนมางูมันเลือมากี่ตัวก็ไม่รู้อ่าเขาอยู่กันแบบนั้นถ้าไม่ยอมตายจะไปได้ไหมถ้ากลัวตายไปไม่ได้ถ้ายังอยากหาเงินอยู่ไปได้ไหมถ้ายังอยากดูอยากฟังไหย อย่างใช้อวัยวะใช้ตาหูจมูกเล่นกายก็ไปไม่ได้เจ้าตรึงบอกว่าต้องสละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตเพื่อธรรมเพราะธรรมนี้มีคุณค่ายิ่งกว่าอะไรทั้งหมดในโลกนี้เพราะธรรมนี้เป็นที่พึ่งของใจได้ที่ป้องกันใจไม่ให้ทุกข์ได้ที่ทําให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ที่ทำให้ใจไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้ทรัพนี้ทำไม่ได้อวัยวะนั่นทำไม่ได้ชีวิตนี้ทำไม่ได้ร่างกายนี้ทำไม่ได้ถ้าอยากจะดับทุกข์อยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องสละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตเราก็จะได้ทำอันประเสริจ พระพุทธเจ้าพระอรลันตสาวกทั้งหลายท่านทาอย่างนี้กันทั้งนั้นที่ที่บรรลุธรรมของท่านไม่ได้อยู่ตามสีแยกอยู่ตามตลาดนัดอยู่ตามศูนย์การค้าอยู่ตามห้างที่บรรลุธรรมของท่านอยู่ในป่าในเขาอยู่ในป่าชา้าอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเงื้อมผา อยู่ในถ้ำรยูนตามเรือนร้างศาลานี่ก็เป็นลักษณะแบบเรือนร้างไม่ไม่มีอะไรมีรหลังคานพอปกอพอป้องกันฝนต้องอะไรได้พอแล้วแต่ไม่มีอะไรร้างไม่มีข้าวของเงินทองไม่มีตู้เย็นไม่มีทีวีไม่มีเฟอร์นิเจอร์ ไม่มีอะไรต่างๆถ้ามีเนี๋ยมันก็ดูทีวีกันเปิดตู้เย็นหาอะไรกินกันนะมันก็มันก็จะติดติดแล้วก็ต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆที่เรามาเกิดเพราะเราติดรูปเสียงกลิ่นรล้วกันรูป้ป่ะถ้าไม่ติดก็ มาอยู่วัดกันได้หมดแล้วที่มาอยู่วัดกันไม่ได้เพราะมันติดเแล้วามาอยู่วัดสามวันก็จะตายแล้วเหมือนคนน้องคนติดยาเสพติดจะลงแดงให้ได้เวลาไม่ได้ดูไม่ได้ฟังไม่ได้ดื่มไม่ได้รับประทานอะไรตามใจชอบตามใจอยากจะตายให้ได้เดี๋ยวยันนี้ก็รู้เนี่ยพวกที่มาถือศีแลแต่หิวไม่หิว อยากไม่อยากเดี๋ยวจะทอนอดข้าวเย็นไมได้สักกี่วันอันนี้ต้องสละทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ไปอย่าไปหวังพึ่งมันเลยพึ่งไม่ได้พึ่งได้แบบยาเสพติดพึ่งแล้วก็ต้องพึ่งไปเรื่อยๆเวลาไม่มีมันก็ เอดร้อนวุ่นวายกันเวลาไฟฟ้าดับเป็นยังไง uh, เวลาน้ำปลาปลาไม่ไหลเป็นยังไงวั uh, นนี้ไม่มีไฟฟ้า uh, อันนี้ไม่ใช่ไฟฟ้าแนละมันไฟอัดมาไปอัดมาจากที่อื่นะ น, น้ำปลาปลาก็ไม่มีอาศัยน้ํำฝนลองใส่ถังไว้ใช้อย่างประหยัด ที่ห้องน้ำที่ยาติโยมใช้กันนี้เป็นน้ําที่บรรทุกขึ้นมาใส่ถังหนึ่งทีนะต้องอาศัยรถบรรทุกน้ําบรรทุกขึ้นมาใส่มีแทงอยู่ในห้องน้ําขึ้นไปแล้วก็ต่อท่อลงจากถังมาเข้าห้องน้ำงั้นใครมาที่นี่ถ้าเข้าห้องน้ําที่เห็นได้เข้าห้องน้ําที่เห็นก่อนะ ที่นี่ขอให้เข้าเพราะจเป็นจริงๆทนไม่ได้จริงๆถ้ามาก่อนจะมานี่ให้แวะห้องน้ำก่อนอ่าจะได้ไม่เพราะจะได้พอใช้บางทีวันเสาร์ที่นี่ตกเย็นนี่ต้องรีบเอาขึ้นมาเติมหมดลวะวัะนเสาร์ที่คนมากันเยอะ จะได้ให้ญาติโยมที่ไม่เคยมาหรือมาจะได้ทราบว่าทาั้งหมดนี้ไฟฟ้าไม่มีน้ำไม่มีท่านอยู่แบบไปทุดงกันอยู่อยู่ในป่ากันอันนี้ก็เป็นนโยบายของผู้หลักผู้ใหญ่ของสมเด็จพระสังฆราชตั้งแต่เริ่มเริ่มให้ม า, าพัฒนาที่บนนี้ท่าน ไปเห็นตัวอย่างของวัดลูกศิษย์หลวงปู่มั่นวัดป่าต่างๆตามภาคอีสาเนี่ยอย่างวัดหลวงตามหมาบัสมัยที่เราไปอยู่ก็ไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาไม่ใช่ไม่มีเพราะมีไม่ได้นะไม่มีเพราะไม่อยากมีเพราะท่านเห็นโทษของไฟฟ้าถ้ามีไฟฟ้าเดี๋ยวมันอย่างอื่นมันจะลักมันจะมันจะเข้ามา ตู้เย็นจะเข้ามาทีวีจะเข้ามาแล้วคนที่ชอบตู้เย็นคนที่ชอบทีวีก็จะเข้ามาแต่ถ้าไม่มีตู้เย็นไม่มีทีวีไม่มีหม้อต้มน้าร้อนที่ต้มน้ำร้อน น, อ น, น้ำอุ่นไม่มีเครื่องปรับอากาศคนที่ชอบพวกนี้เขาก็จะไม่มาก็จะมีแต่คนที่ชอบภาวนามากัน คนที่ชอบภาวนานี้เขาไม่เขาไม่กังวลกับเรื่องไฟฟ้าเรื่องน้ำประปาเรื่องเครื่องปรับอากาศเรื่องที่อาบน้ำร้อนของมน่นนี้ถือว่ามันไม่เป็นสาระอะไรเป็นความสุขชั่วคราวเป็นการมาฉันทะเป็นยิวอน เป็นอุปสรรคต่อการภาวนาพอไม่มีไฟฟ้าปั๊บเนี่ภาวนาไม่ได้นะงดเหงียบนะน้ำปะปาไม่ไหลก็หมดเงียบนะวันนี้สบายมากปวดฉีดปวดท้องก็เข้าไปในป่าเลยเ <c oughs> นี่ยก็ส <c oughs> ิงสารศัตว์ม <c oughs> ั <c oughs> นมีวั <c oughs> น <c oughs> น, <c oughs> <c oughs> นี้เป็นพันตัวที่มันอยู่กันได้ไม่เห็นมันต้องมีห้องนนะ้ำเลยลุกแกจิงจบ เลงกวางงูเงสัตว์บนเขานี่มีเป็นพันตัวนะเห็นต้องสร้างห้องน้ำมาเลย เ, เขาอยู่กันได้จัดนี่เขาดีไม่ดีเก่งกว่ามนุษย์เลยเรื่องของการอยู่อยู่แบบไม่ต้องมีอะไร ไม่มีไฟฟ้าไม่มีโรงพยาบาล <Yeah. S 1> เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาไปหาหมอที่ไหนบะ <Yeah. S 1> เวลาตายต้องไปจองเมนกันว่า <Yeah. S 1> ตายที่ไ้นก็เน่าที่นั่นหลือกลายเป็นอาหารของสัตว์อื่นไป <Yeah. S 1> เนี่ย <Yeah. S 1> พวกเรามาวุ่นวายกายร่างกายที่มันเดี๋ยวก็ต้องแก่เจ็บตายกัน าได้อะไรจากการมาวุ่นวายกับร่างกายก็ได้แต่ความวุ่นวายทำไมไม่สันโดษมากน้อยกับเรื่องของร่างกายอยู่แบบสัตว์อยู่สิแต่เราอยู่แต่จิตใจเราไม่ได้เป็นสัตว์ท่านั้นเองแต่ร่างกายเราควรจะอยู่แบบสัตว์อยู่แล้วมันจะสบายแต่จิตใจเราไม่ได้เป็นสัตว์เหมือนสัตว์เดราจฉานเขา สัตเดรัจฉานกับเราต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่เรามีศีลเขาไม่มีศีลนั่นถ้าเราไม่มีศีลเราก็ไม่เราก็ไม่ต่างจากเดรัจฉานนะเดรัจฉานก็ไม่มีศีลเขาไม่ละเว้นจากการฆ่าเขาต้องกินเขาต้องจะอยู่ได้เขาก็ต้องกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเขาก็ต้อง เขาต้องรักทรัพย์เอาอาหารของตัวอื่นมากินนะอาหารของคนอื่นให้แม่ชาวนาชาวไร่เดือดร้อนลยช้างบางทีออกมาจากป่าห า, หาอาหารแถวลาดบุรีปลูกสับปะรดอะไรไว้ช้างมันมากินหมดนะนะเพราะมันต้องเอามันต้องอยู่รอด มันมีงานแต่งงานนะมีจับคู่เป็นสามีภรรยาลนะ้ว่ยมันเจอกตัวไหนมันอยากเมื่อไหร่มันก็เอากันมาเนั่นนะนี่เราต่างกับเขาตรงนี้ต่างมนุษย์ที่แท้จริงนี่จะมีศีลห้าจะไม่ฆ่าผู้อื่นจะไม่รักทรัพย์จะไม่ประพฤติผิดโปรวนี้จะไม่โกหกหลอกลวง แต่อยูเอ่เรื่องของร่างกายนี้ถ้าเราอยู่แบบเดรนละานได้สบายไม่ต้องไปซื้อประกันภัยประกันชีวิตประกันสุขภาพหาเช้ากินข้ามไปไม่ต้องสะสมอะไรมากมายทาไมสัตว์มันอยู่ได้ไม่เห็นมันต้องมีเงินทองเก็บไว้เป็นล้านเป็นพันเป็นแสนมีอาหารเก็บไว้กินเป็นอาทิตย์เป็นเดือน มันก็หาเช้ากินข้ามของมันไปเนี่ยอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ตายแต่มันไม่ต้องมากังวลกับเรื่องของร่างกายเหมือนพวกเราพวกเรานี่วุ่นวายกับการเลี้ยงดูร่างกายนันนะเสื้อผ้ามันก็ไม่ต้องมีใส่ในชะ่ไหเครื่องสำอางก็ไม่ต้องมีโอ๊ยนั่นทำผมนัานแต่งผมนัานตัดผมเห็นต้องมีของพวกนี้เลยมีไปทำไม มีแล้วได้อะไรมีแล้วทําให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้หรือเปล่ามันก็แก่เจ็บตายเหมือนเดิมอยู่แบบสัตว์เดรัจฉานได้เพียงแต่ว่าอยู่แบบร่างกายเป็นเดราชฉานแต่ใจให้เป็นมนุษย์เท่านั้นแล้วจะอยู่อย่างมีความสุขตายไปก็ไม่ต้องไปเป็นเดราชฉาน ถ้ามีสีหน้าตายไปก็ไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานถ้ามีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจไม่รักษาศีหน้าก็เป็นเดรัจฉานไปละพอร่างกายนี้ตายไปร่างกายข่าวหน้านี้จะไม่ได้เป็นร่างกายมนุษย์นะอต้องเป็นร่างกายของเดรัจฉานเพราะใจเป็นเดรัจฉานนะแต่ถ้าใจเป็นมนุษย์เนี่ย แต่อยู่แบบเดลฉาน ช, ชาติหน้าก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ mm hmm. เป็นมนุษย์ไม่เป็นมนุษย์อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย mm hmm. พระธุดงพระอริยเจ้านี่ท่านอยู่แบบเดลฉ า, าเน mm hmm. เห็นไมท่านหากินแบบไหนก็มีบาทใบเดียวท่านไปธุดงนัท่านจะมีที่เก็บอาหารไว้ที่ไหนนะเช้าก็เดินไปหาชาวบ้าน ชาวป่าเช่าเขาเขามีอะไรเมตตาก็ใส่บาตรมากินไปตามมีตามเกิดที่เหลือก็แยกให้สัตว์ไปก้าวเขื้อก็โปรยให้สัตว์ให้นกให้กาไปตั้งบาทเสร็จเก็บเหมือนกับเหมือนกับสัตว์เดราจฉานเะนีเดราจฉามันก็ไม่มีที่เก็บอาหารนะที่อยู่อาศัยก็อยู่ที่เดียวกับเดราจฉานะก็อยู่ในป่าด้วยกัน ต่างกันตรที่มีเครื่องนุ่งห่มหน่อยมีผ้าสามผืนมีกีวอนแต่ก็เป็นผ้าขี้ริ้วสมัยพระพุทธการนี่ไม่มีผ้าแบบพวกเราหรอกท่านไปเอาผ้าที่เขาทิ้งตามป่าชา้าผ้าห่อศพเนี่ยเอามาเอามาตัดเอามาเย็บเอามาปะต่อกันให้มันพื้นใหญ่แล้วก็เอาไปซักย้อมด้วยน้ำป่าน้ำป่าก็คือน้ำที่เอาแก่นไม้ามาต้มเนี่ย สมัยนี้เขายังยังซักผ้าจีวรด้วยน้ําแก่นแก่นขนุนอยู่เอาต้นเอาแก่นขนุนนี่มาต้มแล้วพอมันเดือดมันร้อนก็เอามาใส่ผ้าทุดงสมัยก่อนนี่ท่านไม่มีแฟบไม่มีอะไรซักผ้าแบบต้มน้ํำต้มน้ําแล้วก็เอาแก่นไม้ใส่เข้าไปมันก็จะออกสีเหลืองเเายกว่ สีผ้ากับผ้าสีกาสาวพัท ส, สีเหลืองเหลืองวิธีซักผ้าสมัยของหลวงปู่มัน่นครูบาอาจารย์สมัยก่อนนีท่านไม่มีวัดท่านไม่มีพวกแฟบพวกสบู่พวกอะไรท่านซักผ้าด้วยการต้มน้ําเอาแก่นขนุนใส่เข้าไปแล้วก็เวลาซักก็ตักน้ําที่เดือดมาใส่กละมังแล้วก็เอาผ้าจีวรใส่เข้าไป ขยุ้มขยุมปับเสร็จลวซักเสร็จล้วคนเดียวไม่ต้องซักหลายน้ำถ้าทักแป๊บต้องใช้แป๊บก่อนซักแป๊บเสร็จแล้กแลลว ก, ล ก, ก, ก, ก็อกกลกองใช้น้ำมาซักเปืองน้ำถ้าอยู่กันแบบง่ายๆอยู่แบบเดรชาญอยู่วันหาเช้ากินไปวันวันวันหนึงกินวันละหนึงพอละวอาหารไปบินทบาด ได้แล้วมัก็ฉันไปอย่ารักษาโรคท่านก็เหมือนสัตว์สัตว์มันไม่สบายมันก็กินใบม้งใบไม้ทั้งเขียนน่ยหมามั้งตัวนี้มันไม่สบายมันก็กินกินย้งกินหญ้ากินผักกินใบอะไรมันไปปเดี๋ยวมันก็ถ่ายออกมามันก็หายทุดงท่านก็เป็นยาสามุนไพรเอต้มกินเอาน้ํามัน หายก็หายไม่หายก็ตายไม่ต้องมีหมอไม่ต้องมีโรงพยาบาลแต่ท่านไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะท่านมีธรรมะโอสถมีธรรมะมารักษาใจตัวเรานี่ต่อให้ไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนหมดไปคืนละแสนใจมันก็ยังทุกข์อยู่เพราะโรงพยาบาลเขารักษาให้แต่ร่างกายเท่านะั้น เขาไม่มารักษาใจให้เราการรักษาใจก็ต้องใช้ธรรมะเองอธรรมะจะรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยกับความตายกับความอดอยากขาดแคลนที่ไหนมีความอดอยากขาดแคลนที่นั่นจะมีธรรมะเพราะมันจะต้องสร้างธรรมะขึ้นมามันถึงจะสู้กับความอดอยากขาดแคลนได้ สู้กับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้สู้กับความตายได้ถ้าที่ไหนมีความามีความมีอะไรมากๆมีสิ่งต่างๆมากๆมีของเยอะๆเนี่ยที่นั่นจิตใจจะไม่มีธรรมะกันเพราะว่าไม่ต้องพึ่งธรรมะพึ่งข้าวของเตือนทองต่างๆ แต่พอถึงเวลาที่พึ่งไม่ได้ตอนนั้นก็จะเดือดร้อนเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้เปื่ยอยเงินทองนี้มันจะมาทำให้ใจเราไม่ทุกข์ได้หรือไม่ไม่ได้มันจะกลัวตายกลัวจะไม่หายกลัวเจ็บใจตอนนี้พวกเราสบายเราอย่าไปคิดว่ามันจะสบา ย, ยานี้ไปทุกวันเดี๋ยวมันต้องเจอ เหตุการณ์ที่จะทำให้ไม่สบายใจกันนะถ้าไม่มีธรรมะมาคอยรักษามันก็จะไม่มีอะไรมาดับมันได้ใจเราก็เป็นเหมือนบ้านสักวันหนึ่งมันอาจจะลุกไหม้ขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าเราเตรียมเพื่องดับเพลิงไว้ก่อนพอไฟไหม้ปับ๊บเราก็เอามาฉีดปับ๊บอ่ะมันก็ดับเลยบ้านก็ไม่ไหม้ธรรมะเราเป็นเหมือนเครื่องดับเพลิง ดับความทุกข์ภายในใจถ้าเรามีธรรมะพอไม่สบายใจปุ๊บเอาธรรมะมาฉีดป๊อบหายเลยแถ้าไม่มีธรรมะโอ้ยทุกข์กันเป็นวันเันคืนไปเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้ารุนแรงก็ฆ่าตัวตายเลยคนที่ทำแนัาา้นักตัวกว่าตายทาไมถึงกล้ากล้าฆ่าตัวตายก็เพราะว่าทนความทุกข์ไม่ไหวยอมตาย ตายแบบนั้นขาดทุนตายมันตายแบบนั้ น, ต า, บบ น, นตายแบบกิเลสไม่ได้ตายแบบธรรมถ้าตายแบบธรรมแล้วใจจะไม่ทุกข์แต่ถ้าตายแบบกิเลสมันทุกข์มากคนที่ฆ่าฆ่าตัวตายนี่มันทุกข์มากทุกขณะตอนก่อนที่จะตายแล้วทุกตอนที่คิดที่จะฆ่าตัวตายมันไม่เลยดับความทุกข์ทุกพาสูญเสีย ที่พึ่งเคยพึ่งทรัพสมบัติข้าวของเงินทองพอสิ้นเนื้อประดาตัวก็ไม่รู้จะอยู่อย่างไรทํางานหาเงินก็ไม่เป็นหาเงินน้อยๆก็ไม่ได้เคยใช้เงินเยอะๆวันเยอะๆพอต้องมาทํางานเหนื่อยได้แค่วันละสามร้อยก็ไม่อยากจะทําเมื่อก่อนมีเงินใช้วันละสามสี่หมืนสามสี่แสน อ่อไม่มีเงินปั๊บเนี่ยลำบากนะไปทำงานก็ไม่มีความสามารถอะไรรู้แต่จัดูแต่ใช้เงินแต่ไม่รู้จักหาเงินฉะันยอมยอมขาดทุนยอมยอมปิดล่านสักสองสามวันมาหาทำดีกว่า เปิดร้านได้วันละสองสามพันสี่ห้าพันมาปฏิบัติธรรมได้ทรมาดับความทุกข์ใจดีกว่าเวลาร้านเจ๊งก็ไม่เสียใจไม่เดือดร้อนนี่หามาได้กี่ตังค์ก็ตามวันดีคืนีีร้านมันก็เจ๊งได้พอเจ๊งแล้วก็เสียใจแต่ถ้ามาปฏิบัติธรรมบ่อย พอร้านเจงก็ดีใจจะได้ไม่ต้องขายของปิดร้านอย่างถาวรเลยมาปฏิบัติธรรมอย่างถาวรดีกว่ามาทำงานที่ที่วัดดีกว่ายอมเป็นเจ๋าไปทำงานล้างถ้วยล้างชามทำงานในคงในครัวเพื่อแลกอาหารเพื่อแลกข้าวมื้อหนึ่งก็พอแล้วจะเอาอะไรมากมายแลกกับที่อยู่อาศัยคนที่มาล้างถ้วยล้างชามได้อยู่วัดได้สบาย ต่อไปไม่มีที่ไปไปอยู่วัดได้คนที่ล้างชามไม่ได้ไปอยู่ไม่ได้ทำใจทำใจยากไม่ใช่ล้างไม่เป็นใจมันไม่ยอมล้าง <c oughs> เรารู้สมัยก่อนเราก็เคยเป็นอย่างนี้สมัยที่เราเรียนหนังสือไปอยู่เมืองนอกเนี่ย <c oughs> ไปหางานงานดีๆก็ไม่มีมีแต่งานล้างชาม <c oughs> ไอ้เราก็ถือตัวกูไม่ล้างชานิ้ง <c oughs> ไม่ล้างมันก็ไม่มีเงินเลยไม่มีข้างนอกเขาชามใหญ่เขาล้างสบายก็มีเครื่องฉีดเขามีเครื่องยัดใส่เข้าไปแล้วเพียงแต่เอาไอ้พวกเศษอาหารทิ้งลงไปในถังเลยแยกมันออกไปแต่มันโหดมันมันยืนทําตั้งแปดชั่วโมงอะชามมันมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆมันเวลามีเวลาพักให้ครึ่งชั่วโมงเลยมันให้ทำคนเดียวทั้งร้านเนี่ยมีมีมีคอนเสิร์ต้องเกือบ สิคนแต่คนล้างชาญคนเดียวแล้วพรอาจารย์ไม่ตื่นปะครับมันไม่จ้างเราซิเราอยากจ้างา ก, ก็มันเรามันหน้าตาไม่เหมือนเข า, าอ่ะหน้าตาอย่างเรามันมีแต่หน้าที่ล้างชาญเท่านั้นี่ยเข้าใจไหม <c oughs> ไห ม, มันก็เลือกคนอะเราก็เหมือนกันเราก็จ้างขงมุงขงมิ้จ้างพ ม, ากกมา่าก็มารางถัวรล้างชาญให้เราไม่ใช่เราจะมาจ้างให้ก็เป็นเด็กเสิร์ฟที่ไหนอะมันพูดก็ไม่พูดไม่รู้เรื่องใช่ไหม ก็นั่นะเก่งยังไงมันก็<ม>เขาก็มีคนของเขาอยู่ก่อน<ม>เขาก็ต้องจ้างคนของเขาไอเราไปสมัครที่ไหนก็มีแต่ล้างถ้วยล้างชาม <c oughs> แต่พอมันหิวมากๆมันไม่มีเงินซื้ออาหารมันก็เลยล้างกว่าล้างว่าไม่รู้ว่าเขาแย่งกันหมดงงานสื่ออะไอล้างจาม <c oughs> ใ, ให้เอาเน <c oughs> <c oughs> ี่ยใช่หลกดี แต่ร้านนี้นีทาไปสักพักแล้วเขาขยับให้ขึ้นไปเป็นกุ๊กไปช่วยเป็นผู้ช่วยกุ๊กก่อนแล้วต่อไปข้ไปเป็นกุ๊กได้เงินมันดีขึ้นเงินมันมากขึ้น เ, เป็นทำเบอร์เกอร์ทําให้พว ก, กแซนด์วิชะไรยนี่ทําได้หมดเนี่ยโปรอาหารฝรั่งแต่อาหารฝรั่งก็ทําง่ายเขา ท, ำทำํำซ้ำเ็จรู้มาแล้ว เพียงแต่โยนมันขึ้นลงไปบนเตาเนื้อมันก็มันก็ไปเป็นก้อนๆเป็นแผ่นๆมาแล้วปลาก็เป็นชิ้นๆไก่ก็เป็นทุกอย่างโยนมันลงเข้าไปในกระทะนั่นเองแล้วมันกระทะอัตโนมัติมันมีเวลาของมันโยนไงไปป๊อเดี๋ยวมันพอถึงเวลามันก็ลอยขึ้นมาเอลอยขึ้นมาแล้วก็สับใส่จานจานแล้วก็เอาผักเอาเผือกอะไรจัดเข้าไปหน่อยเสร็จแล้วเดี๋ยว ทำได้หมดแบกพวกแบกฟาดไงไข่ลงไข่ดาวเช้กระถางเล็กดีนะงั้น <c oughs> อย่าไปถือตัวดีกว่าการถือตัวนี้ทำให้ชีวิตเราลำบาก <c oughs> ถ้าไม่ถือตัวนี่ทำได้ทุกอย่างการมาบวชนี่ท่านต้องการให้กำจัดการถือตัวบวชเป็นพระนี่ท่านจะให้ล้างถ้วยล้างจใจล้างกระโถนของ ครูบาอาจารย์ล้างส้วมกวาดถูกุติอะไรต่างๆให้ทำเองกันหมดในวัดนี้ไม่ไ ม, มีคนรับใช้พระผู้น้อยก็ไปรับใช้พระผู้ใหญ่แลกกันง่ายพระผู้ใหญ่สอนเราเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณของท่านด้วยการแบ่งเบาภาระของท่านขนน้ำไปใส่ที่กุติท่านล้างถ้วยล้างส้วมให้ท่านล้างบาซักจีวอนให้ครูบาอาจารย์ ครูบอาจารย์ท่านก็อบรมสั่งสอนเราให้ความรู้กับเราแล้วต่อไปพอเราแก่ก็มีลูกพระรุ่นหลังเขาก็มารับใช้เราแทนก็ดูแลกันไปพระแก่ก็ดูแลพระหนุ่มในทานการศึกษาสั่งสอนธรรมะพระหนุ่มก็ดูแลพระแก่ด้วยการปลนในบัต ร, รับใช้ล้างบาทล้างจีวสักจีวันปลดทุก กุเตปัดกวา ด, ดกุเตขนน้ํามาใส่ห้องน้ําก็อยู่กันอย่างมีความสุขงั้นไปอยู่วัดอย่าไปถือตัวแต่เตรีมตัวไปเข้าครัวได้เลยเออสอบสมัครเลยอไปหัล้างจานอยู่ข้างไปไอ <laughs> ล้างถ้วยล้างชานแล้จะได้ความรู้การล้างจาน อล้างจานเขาเรียกไปล้างอย่างเงี้ยเรไปแตอนนี้ไม่ยอมล้างเลยที่คไทไมต้องล้างไม่ตองางเป็นบุญเนี่นอมันอะไรก็ทำได้ได้ฟังเยเนี่ยเป็นกิเลสรู้เปล่าถ้ามาอยู่วัดแล้วล้างชามไม่ได้เนี่ยเป็นกิเลสได้เพื่อนดีรู้มั้ยได้เพื่อนล้างจานล้างชามเนี่ยเข <c oughs> าจัดเชิชวนเราไปล้างชามเนี่ย พระเจ้าบอกให้คบบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตก็คือคนอ่อนน้อมถ่อมตนคนที่ไม่เลือกงานเลือกการคนไม่ถือเนือ้อถือตัวไม่ได้เป็นคุณหญิงคุณนายเข้าวัดแล้วต้องโยนคุณหญิงคุณนายทิ้งไปเข้าวัดแล้วเหมือนกันเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเหมือนกันหมดคนมาบวชก็เหมือนกันพอบวชแล้วไม่ได้เป็นลูกของตำรวจลูกของทหารลูกนายพลลูกนายร้อย ทุคนเป็นมาเป็นลูกของพระพุทธเจ้ากันหมดเนี่ยมีเรื่องมีลูกในพนคนหนึ่งพ่อเขาอยากจะให้ไปบวชกับหลวงตาก็ไปพาไปกราบแล้วขออนุญาตบวชตอนโทษหลงตาเขาบวชเลยบวชก็บวชแล้วพอรับบวชแล้วก็มาขออีกขอว่าขอเอาทะเอาตาบวนรับใช้มารับใช้พระได้ไหมหลวงตาบอก มันจะมาบวชหาอเลยถ้ามัมาบวชแล้วต้องมีคนมารับใช้เอางี้ก็แล้วกันถ้าจะเอาตำรวจมารับใช้ก็ได้แต่พระไม่ต้องมา <c oughs> ถ้าพระถ้าพระจะมาก็ไม่ต้องเอาตำรวจมารับใช้ถ้าลูกชายจะมาบวชก็ไม่ต้องเอาตำรวจมาถ้าจะเอาตำรวจมารับใช้ก็ไม่ต้องเอาลูกมาม า, าบวชเพื่อให้ม า, ามาตัดกิเลส ทำความเพียรให้มีความขยันหมั่นเพียรข้อวัดปฏิบัติต่างๆนี้เป็นอุบายให้เราไม่ขี้เกียจกันนนะี่ให้ไปบิณตบานนี่มันไม่ได้ไปหากินอย่างเดียวนะเพื่อให้มีเพื่อมีความเพียรเขาอย่างนั้นถ้าอยู่บะอยู่อยู่วัดมีญาติโยมนําอาหารมาถวายมันก็ขี้เกียจอลยนั่งเฉยๆรอให้ญาติโยมเอาอาหารมาถวายพอถวายเสร็จแล้วกินอิ่มแล้วก็นอนนะ แต่ถ้าพระธุรงนี้ท่านไปบินธบาตกลัมาฉันเส ร, ร็จปั๊บท่านเดินจงกรมต่อถ้าไม่ขี้เกียจนะถึงเป็นธรรมเนียมของวัดปา่าจะไม่มีวันหยุดบินธบาตไม่เหมือนวัดบ้านวัดบ้านนี่เขาจะหยุดวันวันวันพระนี่เขาจะไม่ออกบินทบาตกันเพราะญาติโยมจะไปวัดกันเอาอาหารไปเลยไม่ต้องมามาบินธบาต มันก็เลยทําให้เกิดความเกียจชร้านได้แลเดี๋ยวมันก็ติดนิสัยพอวันอื่นญาติโยมไม่มาก็ไม่บินทบาทแล้วก็อาศัยเงินที่ได้จากบุญบางสังส่วนนี้มาสั่งอาหารให้เด็กไปซื้ออาหารมาชันที่วัดเองเอาบินทบาทอาหารบางทีก็ไม่ถูกปากสู้สั่งซื้อดีกว่าสมไมนี้โทรได้พิซซ่าก็มี KFC ก็มีแมคโดนัลก็มี ขอให้มีเงินนั่นนะสั่งปุ๊บมาปั๊บเลยเแซมันเป็ยังไง ไ, ไีไ่เต็มไปหมดต้องการอะไรมีทุกชนิด ต, ต่อไปแซเมันคงจะมีริการรับส่งอ <c oughs> ่ า, า, า, า, า, าอันอนี้ไอเดียดีนะเ ด, เดี๋ยวคนบริหารแซมัน <c oughs> ได้ยินก็เออน่าจะลองทำดูนะ เนี่ยคือถ้าชีวิตเรามามัวยุ่งกับเรื่องราวเหล่านี้เราก็จะไม่ได้ทำกันมาวุ่นวายกับเรื่องอาหารการกินการอยู่กันมาวัดก็มาแย่งที่อยู่แย่งที่กินกันใช่ไหมมาวัดต้องถ้าจะอยู่กับกินกับว้ดก็ต้องยินดีตามมีตามเกิดไม่ต้องไปแย่งกับเขาอยู่ปลายแถวก็ไดะ้หรืออะไรก็กิน ไม่กินแล้วก็หาของเราเตรียมของเรามากินของเราก็แล้วกันเดี๋ยวมาแย่งกันมีโยมอยู่ข้างหนึ่งมามาบ่นว่าทําไมไม่จัดอาหารให้กับญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมทาไมไปให้คนอื่นก่อนบอที่นี่ไม่มีนื้อโยบายที่นี่เขาไปอีกแบบหนึ่งที่นี่เขาต้องเลี้ยงคนงานเนี่ยคนงานวัดนี่ก็มาศัายอาหารของพระเบญทบาทกินไง คนงานก็ไม่ใช่น้อยสี่ห้าสิบคนมันก็เลยไม่มี อ, อาหารเหลือมาจากญาติโยงที่มาทําบุญแญาติยาโยงเขาก็ไม่ได้มากินกันเขาก็ไม่เขาก็ไม่แคร์เขา ก, กินไปตามมีตามเกิดเขามาทําบุญก็ไม่ได้มาเอากับข้าวกับปลาอาหารเข้ า, าแต่คนบางคนไม่เข้าใจเพราะบางวันนี้ครูบาอาจารย์ท่านมีบารานีท่านสามารถควบคุมการจัดการอาหารต่างๆได้ท่านก็ให้แบ่งให้มันทั่วถึง พวกที่มาปฏิบัติธรรมก็มีอาหารพอเพียงที่จะ ก, กินกัแต่วันนี้บางทีไม่พอใช่ไห ม, มพอเลยพ อ, อพอเลยเ<อ>มื่อก่อนนี่ไม่ได้ยากอยู่รวมกันข้างในตหลังเห็นว่ามันก่อนหนนี้เยอะกว่า น, นี้อีกเพราะว่าตอนนี้พระมาเยอะไงะ<อ> ม, มีคนมาทำบุญเยอะขึ้นนะอันนี้ได้ข่าวว่าเขาจะปิดวัดนะวันอาทิตย์เนี่ย เราจะเอาวัดเป็นที่แข่งจักรยานใวันนั้นเห็นใช่ค่ะปิดตั้งแต่ตีสี่ถึงเที่ยงเลยเมร์เช้านี้ก็เมาเช้านี้เลยเชิญให้เข้ามาคุยกันหน่อยเพราะปิดโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตทางวัดอ๋อวันก็เห็นหม่อมอะไรไหมลูใช่ค่ะที่มาปิยแรงแล้วก็แล้เราคุยเขาบอกถ้าคุณปิดพ้าก็ไม่ต้องกินข้าวเลยไปบินธบารก็ไม่ได้อะ ตั้งแต่ตีสี่คุณติดอย่างนี้ยาโยงก็มาใส่บาด ท, ที่วัดไม่ได้แล้วคนในวัดนี่มันไม่เป็นร้อยทั้งพระแล้วมีพระที่บวชถวายในดวงอีงต้องร้อยกว่าแล้วลูกศิษย์ลูกหาที่ติดตามอีกจะเข้าออกวัดไม่ได้เลยเขาจะเอาถนนในวัดนี้เป็นสนามแข่งจักรยานเห็นก็เห็นแอบป้ายไงว่าจะปิด ปิดถนนวันที่สิบเอ็ดวันท่ที่สิบอันนั้นแหละเขาปิดบ้านแต่ไม่ก็ไม่เออเขไม่ได้มาคุยกับคนในวัดเลยไม่ได้บอกกับอาจารย์ก็เลยให้จ่าเนี่ยไปติดต่อเขาก็เลยเราก็เลยบอกขอร้อเลื่อนเวลาไปได้ให้มันเริ่มหลังสิบโมงไปได้ไหมอย่างน้อยญาโยมจะได้มาได้พระเนนจะได้ออกไปบิณฑบาตได้ชันเสร็จ เจ็มองคนก็เอาเลยเลยถเลยใอบบ้านกันก่อนเขาบอกเขาจะไปคุยกับหัวหน้าเขาอีกทีมเห็นโฆษณาทีวีเลยด้วยแต่เราก็โปงแล้วทำใจแล้วอย่างมากก็อดข้าวมันวันนึง เขาสั่งได้เดิสั่งเดิสั่งมันเข้ามาไม่ได้นนทมันไม่ให้เข้ามามันปิดตั้งแต่ที่พระทางแ ย, ยากไปชักเ ง, งาตรงนั้นอ่ะลั ง, ล ง, ลงชงวัดก็ปิดเขาจะวิง่งเขาจะเริ่มต้นที่ซิลเวอร์เลกเนี่ยแล้วก็มาทางมาทางวิหารเสียนแล้วก็ไปชักเ ง, งาแล้วจากช่างเงวก็กลับมาเข้าวัดเลยเข้าวัดแต่อ้อมมนดบ สั่งลงครัวมาเอกสั่งยังไงมันมาไม่ได้มา่มาลูหน้าก็ปิดตั้งแต่ตีส่ตีสี่แล้วเปิดจักรยานเปิดบ่ายสองเที่ยงเที่ยงแปดชั่วโมงก็มาฟังทำได้ใช่ดีเราเดีจะตอนเช้าที่จะคิด่เออาหารก็ตดตามถือว่าเป็นอาหารก็ควกนีไปซื้อ เดี๋ยวให้ทางทางพวกเนตนี่ติดวิพากวิจารกันหน่อยอ่ะใครรู้เนี่ยลองไปช่วยช่วยวิพากวิจาร์หน่อยเขาจะปิดวันยานเนี่ยพระเนนออกบินทบาตไม่ได้ญาติโยมมามาวัดมาทำบุญไม่ได้มาใส่บาตรมาจะปิด้ตั้งแต่ีสี่ถึงเที่ยง โดยที่ไม่ได้มาขออนุญาตที่วัดก่อนแล้ ว, วจัให้เลื่อนไปกโมงมเลื่อนก็เลื่อนไปสิบโมง อ, อ๋อบอกแล้วเลืนะ่อนแล้วเปลี่ยนทางเปลี่ยนเส้นทางอย่าเข้าวัดอ้อมวัดเลี่ยงวัดไป อ, อย่าให้วัดเดือดร้อนเลยวัดไม่ได้ทำอะไรให้ใครเสียหายวัดเป็นที่บาเพ็ญคุณประโยชน์วัดวัดเป็นที่ทำบุญเพราะคุณจะเอาการเล่นกีฬามาทำลายการการกระทำที่ดีงามได้อย่างไร ถ้าคนมาวัดมาเล่นไพ่มาอะไรก็เป็ดไปเลยไม่ว่ากันนี่คนมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรม ม, มาปฏิบัติธรรมแต่คนจัดงานพวกนี้ไม่เคยเข้าวัดรับรองได้ไถ้าเข้าวัดเขาจะไม่กล้าทาอย่างนี้พวกนี้ไม่เคยเข้าวัดพวกหัวหัวนอกหัวสมัยใหม่ตามฝรั่งไง หลัดไต่ก in? ีฬาก็เลยไต่ก mm ีตาไตกีตาว่ายน้ำว yes. uh uh uh uh uh ิ่งขี่จักรยานร่างกายแข็งแรงแต่จิตใจเป็นเปรดเลยไม่รู้สึกตัวจิตใจไปเบียดเบียนเขาเดยไม่รู้สึกตัวลองวิภาควิจารณ์กันดูดิ ดูที่ว่าพวกบริหารก็จะได้ยินด้วยว่าแล้วดูว่าเขาจะทำยังไงคอยติดตามดูนะว่าเหตุการณ์จะเป็นงไงถึงเวลาเขาปิดก็ก็รายงานกันไปเลยกส่งเข้ามาไม่ได้เข้าตำรวจปิดทางปิดถนนเน่ะเขาติดต่อกับตำรวจเนี่ยป้ายเป็นสพจอมเทียนอะไรเนี่ยหน้าจอมเทียน เราก็บอกเขาว่าเราก็ไม่ได้อะไรนะเราก็เพียงแต่พูดอธิบายให้เขาเห็นความ เ, าเราก็ไม่อยากจะขัดการกระทําของเขาถ้ามันไม่ไปทําให้ผู้อื่นเสียหายเราก็ยินดีแต่นี่มันทําให้ผู้อื่นก็เดือดร้อนมีทางไหนที่เราจะสามารถที่จะทำแล้วจะไม่ทําให้เดือดร้อนกันแเราติดต่อผู้จ้างกัน ไม่จะถึงแล้วหนึ่งคนอ๋อถ้าเราไม่ไปติดต่อเขาเขาไม่มาหรอกไม่ก็หมวดเนี่ยหมวดคนขับรถเขาเพราะเขาต้องรู้ว่าเขาวันวันอาทีตย์เขาจะไปบินจบาดได้หรือไม่เขาก็เลยโทรไปติดตามถามก็ในที่สุดก็ได้ไปเจอพวกที่เขาเป็นผู้จัดเนี่ยก็เลยชวนให้เชิญให้เขามาคุยกับพระนี่ป่ะเพราะหมวดก็เป็นเพียงแต่คนขับรถของวัดเท่านั้ ก็เขาก็เลยมาเมื่อเช้านี้ก็เลยได้คุยกันม่อเห็นเตปป้ายมานานแล้วเกืสองอาทิตย์แล้วกก็เลยไม่รู้จะว่ายังไงเรื่งมีคอมเมนต์แล้วครับ กอเมนเยอะๆใ <c oughs> ส่ไปในท w i ต t e อร์ใส่เข้าไปเล ย, เลยถาม <c oughs> ถามช่วยกันออกความเห็นหน่อยว่าควรไม่ควรลงลงคะแนนหน่อยเลยเวลาะาุที่วัดไม่ได้ออกปาบาทไม่ได้อ <c oughs> ลองลองส่งออกไปขยายถามถามความเห็นกันหน่อยว่าควรจะปิดวัดเพื่อให้เปิดแข่งกีทาร์ในวันหรือเปล่าตั้งแต่ตีสี่ถึงเที่ยงวันเนี่ย แล้วคนในวัดจะเข้าออกอยังไงใช่แค่นี้บ้านจ่าพูดแต่ยังไงก็ได้เรื่องเราก็พูดความจริงเรวก็พูดตามที่เราพูดกับเขาเนี่ยเราไม่ได้มีย้อมสีไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเราพูดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําของเขาเท่า น, นั้นเองแต่เราไม่ต่อต้านเขาหรอกแล้วก็เห็วนว่าเป็นการดีการแข่งกีฬาอะไรมันก็ดี มันควจะมีที่จัดที่ไม่ไปทําให้ชาวบ้านก็เดือดร้อนกันอีกที่แล้วก็มีครั้งหนึ่งมันจัดที่ไหนก็นไม่รู้ปิดถนนตั้งแต่หน้าวัดไปถึงพัทยานั่นคือทางแยกนี่ห้ามให้ให้เลี้ยวไปทางเดียวอ่า เ, ออเหมือนกันนะอ่าตอนนั้นออกจากว่าม์เพอเสร็จมินตบัด ท, ที่สามแยกเลี้ยวขวาไม่ได้ไไดต้องไปขับไปไปเลี้ยวที่นู่นอนะ่ะซอยอะไรวะ เกือบถึงพเบจะถึงพัทยาน้ยเน่ะไปยูเทิร์นตั้งสิบกิโลมกว่าจะกลับถึงวัด น, นี่ก็นคนรอเราไม่ต้องรองเราฉันในวัดในรถเลย <c oughs> แล้วรถมันติดยาวเหยียดเลยไม่ใช่ไมนใช่มันจะวิ่งได้ เวลาจัดอะไรกันทีแล้วชาวบ้านก็เดือดร้อนกันทุกปีเขาก็มีจัดวิ่งมราทานแต่ก็ยังพอให้รถวิ่งได้บ้างขเขาขอก็แบ่งก็มีก็ ม, มีสี่เลนก็แบ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งให้วิ่งให้ให้คนวิง่งอีกครึ่งหนึ่งให้รถวิ่งไปวิ่งมามีทุกปีนันยังยังพอถูถ่ายกันไปได้ออถึงยังวิ่งไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้เร็วก็ยังพอวิ่งขยับไปได้ อันนี้ปิดหมดเลยอ็เไม่รู้จะพูดยังไงนะอย่างมากก็อดข้าวมื้อหนึ่งหรือคืนวันคือวันเสาร์ก็ย้ายไปอยู่วัดอื่นวันหนึ่งก็แล้วกันถ้ากล claro ัวอกไม่ได้กินก็เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พอาเพศเทศเสศ็จก็อาจจะขอโยมไปไปอยู่ที่ไหนถ้าแข็ง ้เปิดลงทานตรงนี้จะเข้ามาได้แล้วก็าไปในที่สี่จะเป็นกรรมของเขาที่คนที่เขาทำก็ต่อไม่ก็ทําอะไรก็ได้อย่างนั้นกลับมาหาตัวเองอย่างคนที่มาร่วมอย่างเนี้ครับไปสร้างคนไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นต่อความเดือดร้อนมันก็กลับมาหาเราคนที่ได้รับประโยชน์มันก็ต้องเสียประโยชน์ในวันข้างหน้ามันก็จะเป็นมัน มันทุกอย่างมันมีผลมันมันมันมีผลกลับมาเหมือนลูกปิงปองน่ะคุณตีไปมันก็มันก็เด้งกลับมาใช่ไหมอย่างคนที่เขามาร่วมกิจกรรมเขาไม่ได้รู้เรื่องว่าคนจัดงานแบบเขาไม่รู้เขาก็ต้องโดนลูกหลงน่ะเหมือนเราฮะเราก็ไม่รู้เราก็โดนลูกหลงชาติก่อนแล้วอาจจะไปทำกิจกรรมอะไรกับใคร <laughs> ไว้ชาตินี้เลยโดนลูกหลงมนใครคอมเมนต์ลองอ่านมามั้งก็ได้ ใครอยากจะคอมเมนต์เปิดเลยอันนี้เปิดให้คอมเมนต์หน่อยใครจะมางาที่มามาไม่ได้ก็ปิดตั้งแต่ตีจะเข้ามาได้ไงมาตอนเย็นมาแล้วก็ออกไม่ได้มาแล้วก็ออกไม่ได้จะตั้งน่อยู่ในวัดตามขึ้นมาถ้าเป็นไปตามที่เขาจัดนะนี่ยังไม่รู้เขาอาจจะเปลี่ยนก็ได้แต่ถ้าเขาจะเอายืนยันแบบนี้ก็มันก็จะเป็นแบบนี้ เอาแล้วเขาจะเขาจะแจ้งมาไม่รู้ว่าจะทาแบบไหนก็ไม่รู้ก็เขาคงจะไปคุยกันนะเมื่อตอนนี้อาจารย์ไม่เขาแจ้งมาด้วยเขาต้องมาแจ้งแต่มันยังไม่มาแจ้งถ้าไม่แจ้งก็แสดงว่าก็รู้เองเมื่อถึงเวลาก็รู้เองก็อดอะแล้เขาออกไปไม่ได้อะยะครับอ่านไปสิอ่านไป ปิดวัดไม่ให้บินธบาตก็ตกนรกสิครับพระอนุญาตก็ปไปอย่างหรือว่าเขามีสิทธิปิดวัดโดยไม่ขออนุญาตวัดเหรอครับให้สิทธิอะไรไแต่ถ้าจำเป็นให้ขาวรับผิด ช, ชอบเอาอาหารมาถวายพระที่วัดได้ไหมครับก็ว่าไปครับจะปิดถนนจัดงานในบริเวณวัดทำไมไม่แจ้งทางวัดละครับเจ้าของพื้นที่แสดงว่าไม่ประสานงานกันเลย เจ้าของงานต้องประสานกับเจ้าของพื้นที่ครับจะให้มาสร้างความลำบากให้กับคนอื่นหรือทางวัดมันไม่ถูกต้องมาประสานงานกับวัดก่อนครับนะครับ <c oughs> ไม่สมควรอย่างยิ่งค่ะเพราะวัดเป็นสถานที่ไว้ปฏิบัติธรรมไว้ให้ศรัทธาญาติโยมได้ทำบุญบำเพ็ญธรรมค่ะและที่อื่นก็มีเยอะแยะไม่ควรทำให้ระเบียดร้อน ก็วัดคือวัดค่ะไม่ควรทาไม่ควรมาทำกิจกรรมทางโลกในวัดให้พระเดียดร้อนไม่ให้ฉันข้าวยังมีเจ้าเอาแบบสุภาพสุภาพหน่อยนะอรับอย่าอย่าอย่าพูดคำหยาบลรวเลยเราพูดไปด้วยด้วยเหตุด้วยผลกันเท่านั้นเอง ไม่ต้องการให้เชียร์ถ้าไม่เห็นด้วยเห็นว่าเขาควรจะจัดก็พูดได้ยินดีจะฟังทั้งสองฝ่ายฝ่ายที่เห็นด้วยกับการจัดงานละวัดก็ว่าได้พูดไปได้แต่ น, นี่ก็เพื่อให้เปิดให้มีการการออกความเห็นกันเผื่อผู้ที่เขาเกี่ยวข้องเขาได้ยินได้ฟังเขาอาจจะได้รับรู้ว่าคนจะทำอย่างไร เดี๋ยวคง ก, กระจายไปเยอะเนะี <Okay. S 1> ่ยเพราะคนเข้าถึงเป็นแสนนะอถ่ายเท่าสดวันนึงเนี่ยนะเข้าถึงประมาณสองสามแสนด้วยกัน mm hmm. เดี๋ยวก็แชร์กันไปทั่วกันหมดนะไปดูเดี๋ยว mm hmm. ไ mm hmm. ยวลน์เลยไปกันหมดนะั mm ่นเองยันพระที่จะมาวัดวันอาทิตย์นี้ยังเป็นลูกขี้ลูกคนอยู่นะ mm hmm. ยังไม่รู้ว่าจะมาทมําบุญได้หรือเปล่า ยังต้องรอคำตอบว่าเขาจะทำยังไงเขาคงไม่รู้ว่าเรามีถ่ายทอดสดแบบนี้ะนะี่เชา น, นเีพี่ต่อมาถ่ายทอดด้วยนะเดี๋ยวพี่ต่อใน้ต่อเรู้จัก เ, เดี๋ยวพี่ต่อเขาดูเขาเขาเห็นเองอ่ะอเดี๋ยวก็เขาพูดเ <laughs> ต่เ <laughs> เนขาเขียนป้ายมันเป็นของโตโยต้ามั้งเนี่ยโฆษณาโตโยต้าให้หน่อยโตโยต้าเป็นสปอนเซอร์จะได้สะดุ้งใช่พูดจัดโตโยต้าน่าจะมาคุยกับวัดเนโตโยต้าคขไม่รู้เรื่องเขาเป็นคนสปอนเซอร์คนที่จัดนี่เป็นใครไม่รู้ บางทีผู้หลักผู้ใหญ่ก็าอาจจะไม่รู้ว่าเดือดร้อนก็ได้เขาคิดว่าวัดยาเป็นวัดท่องเที่ยวเขาคิดว่าไม่มีพระเหมือนกับวัดวัดพระแก้วเองนะเขาอะไรเขาอะไรคิดว่าเป็นแบบนั้น่เมตอนนี้เขา้คงจะได้รู้แล้วว่าตอนนี้มีพระอยู่พระที่อยู่ประจําก็แปดสิบแล้วพอดีมีบวชถวารในหลวงอีกร้อยรับ ร้ยสิบมังมาจากวัดพระรามเก้าวัดพระรามเก้าตอนนี้เขาจะมีบวชทุกเดือนะแล้วก็พอบวชเสร็จก็ให้มาอยู่ที่วัดใหญ่ทุกเดือนจะมีพระมาจากวัดพระรามเก้าประมาณร้อยหนึง่งทุกเดือนมาอยู่ประมาณสักสิบวันมาปฏิบัติธรรมตอนนี้ก็มีพระเรนอยู่ประมาณพระเรนประมาณร้อยแปดสิบรูปอยู่ในวัดนี้แล้วญาติโยมที่รับใช้พระเอก ลูกศิษย์ลูกหาอี ก, รรอกผู้ปฏิบัติธรรมผู้ิมาปฏิบัติธรรมอีกคนงานในวดัดเอกมีทั้งสอหอมีทั้งรอเปทหารมาของพวกนี้เขาเดือดร้อนหมดเพราะเขาอาศัยข้าววัดกินกันนั่นแหจะญาติโ ย, ยมก็เข้ามาทำบุญไม่ได้พูดงันไปเรื่อย <laughs> จะได้ร้ว่ามันเดือดร้อนแล้วก็คิดว่ามันไม่เดือดร้อนเอนอดรับนน่าจะขอทางวัดก่อนครับอย่าใช้อำนาจตัดสินใจเองฝ่ายเดียวครับติดวัดก็เหมือนปิดใจอ ย, อย่าทําให้ทางวัดท่านเดือดร้อนเลยทาง youtube มีใครส่งมาไหมไม่มีนะยังไม่มีครับอวันนี้ youtube มีกี่คนนะ ยูทูบมีสามสิบสี่ครับเชร่น <ừ> ถามคถามมาเดี๋ยวก่อนเวดเวดแล้วเฟซุสามร้อยสามร้อยคนคะ่ะสามร้อยคนประมาณสามร้อยกทุกคนก็เท <an> ่าเดิ ม, ม Youtube ก็เท่าเดิม <c oughs> แต่ตอนเย็นถ้าไปเช็คดูจะมีคนชม <okay. S 2> ประมาณแปดเก้าพันแต่มีคนเข้าถึงประมาณสองแสนถึงสามแสนคนเข้ามาดูแป๊บแล้วออกแล้ว คงแชร์กันไปรับรับรู้กันเนาะพอแชร์ไปปั๊บเขาก็ใช่เอามาดูที่หนใช่ก็จะขึ้นใช่แต่พอรับรู้ปั๊บเขาก็ถือว่าเข้าถึงเยว่าเข้าถึงคนที่รู้ว่ามีการถ่ายทอดสดเนี่ยวันหนึ่งสองสามแสนแต่คนที่ดูคลิกดูวิดีโอจริงๆนี่ 8-9,000 ้คนแล้วคนดูสดนี่ก็ประมาณ350อห้าสิบกว่า าาก็คนใหม่ ๆ, ๆมๆๆาเยอะเนี่ยที่วัดตรงมาถามพระอาจารย์เยอะเห็นพระอาจารย์ถามมาจากไหนจากไห น, นแล้วก็มีว่อาอ่านไปสิอ่านไปขอให้ผู้เกี่ยวข้องในในเรื่องจัดกัดจัดกิจการน่าจะมาคุยทางวัดว่าควรหรือไม่ที่จัดในวัดเพราะพระท่านต้องทำข้อวัดปฏิบากตอนเช้า แล้วก็มีว่าตำรวจเป็นคนอนุ ญ, ญาตให้ปิดถ้าตำรวจไม่อนุ ญ, ญาตจะปิดได้เลยครับซาปอ จ, จ, จ อ, ม, อ, อจมเทียนนาจอมเทียนนาจอมเทียนแล้วถ้าเขายังฝืนจัดโดยไม่หาทางออกให้กับทางวัด <c oughs> เขาจะบาปไหมครับพระอาจารย์ก็ถ้าเขาทากับเราเราจะบาปเราจะรู้สึกยังไงถ้าเขาไปปิดบ้านคุณไม่ออกตั้งแต่ตีสี่ถึงเที่ยง ขางกุนอยู่ในว่าอยู่ในบ้านวันหนึ่งเนี่ยไปปิดถนนเพชรบุรีตัดใหม่ไม่ให like ้รถวิ่งจะใช้เป็นที่แข่งจักรยานดูลองไปปิดดูเลยดูคนแถวนั่นเขาจะเดือดร้อนไหมหนึ่งเสียงจากกรุงเทพสีลมไม่เห็นด้วยเจ้าค่ะทาไมไม่ไปไปปิดถนนที่บ้านเ็าอะ ไปจัดไปจัดที่บ้านเ็าเลยบ้านเขาก็มีถนนไม่ใช่ไปจัดที่บ้านนะบ้านคุณปิดถนนเลยแล้วก็จัดที่บ้านคุณนะั่ะทำอะไรเราต้องเอาหัว อ, อกเขาใส่หัว อ, อกเราบ้างใช่ไหมถ้าเราทากับเข้างนี้ได้เราทำกับเราได้หรือเปล่าถ้าเราทำกับเราไม่ได้เราเราอย่าไปทำกับเขา พอเดียวมันจะกลับมาหาเราทำอะไรไปแล้วมันจะกลับมาหาเรานี่คือกฎแห่งกรรมให้ทุกแก่ท่านทุกนั่นก็จะกลับมาหาเราให้สุขแก่ท่านสุขนั่นก็มาหาเราที่เรามาทำบุญก็เพื่อเราเอาความสุขให้คนอื่นเพื่อความสุขนั่นก็จะกลับมาหาเราเวลาเราทำบุญเรามีความสุขใจไหมที่เราให้ความสุขกับคนคนอื่นเขาก็ได้รับความสุขจากการให้ของเรา เราก็มีความสุขจากการที่เราได้ให้เขาถ้าเราไปตีหัวคนนี้คุณจะสุขไอมคุณก็จะกลัวเดี๋ยวเขาจะกลับมาตีหัวคุณใช่ไหมโกด่งกรรมมันเห็นชัดๆอยู่แต่ไม่คิดกันเวลาหลงแล้วมันคิดไม่ออกมันคิดอาจจะเอาแต่ได้อย่างเดียวแล้วพอเว็บากกรรมกลับมาก็มาถามว่าทำไมถึงต้องเป็นอย่างนี้อะ ทุกอย่างที่มันไม่ดีกับเราเนี่ยมันเกิดจากาการกระทําของเราเองเป็นแต่เรานึกไม่ออกจําไม่ได้ท่าเราไปทําอะไรมามากแล้วมันก็กลับมาส่งผลกระทบให้กับเร า, เามีคําถามมันก็ได้คําถามหรือคำคอมเมนต์ก็ใส่เข้ามาสลับกันไปใครอยางจะถามก็ได้ใครจะคอมเมนต์ก็ได้ เอาคอมเมนต์อีกนิดนะฮะกีฬ า, าสร้างคนให้มีน้ำใจไม่ควรเบียดเบียนทำให้ผู้อื่นเ ด, ดือ ด, ดร้อนผู้เกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขันควรพิจารนานใหม่ด้วยความมีน้ำใจด้วยเจ้าขันคำถามจาก i ินบ็อกซ์นะครับจากคุณสาธิมาทำไมเราทำสิ่งที่รักที่ชอบมีความสุขทำไมยังเหนื่อยอยู่เจ้าครับเชื่อตามหมอสั่งทุกอย่าง แต่ไม่ดีขึ้นเลยเจ้าค่ะควรทำอย่างไรดีเจ้าค่ะหมอนนี้หมายถึงอะไรหมอที่รักษาโาครคภัยแค่เจ็บและทำแล้วมันไม่ดีเลยก็เพราะว่าโาครคภัยแค่เจ็บมันไม่กลัวหมอเลย <c oughs> บางทีหมอก็ปราบมันได้บางทีหมอก็ปราบมันไม่ได้ดังนั้นก็ต้องปงเี่ยบอกว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาหลีกเลี่ยงไม่ได้นีไม่พ้น ถ้าเรายอมแล้วเราจะไม่เหนื่อยที่เราเหนื่อยเพราะเราสู้มันเราต้านมันอพอมันต้านมันก็เหนื่อยอ ย, อย่าไปต้านความจริงอยอมรับความจริงดีกว่ายอมเจ็บดีกว่าเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปแล้วก็พุทโธของเราไปแค่นั้นเองต่างฝ่ายต่างอยู่กันมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปทําอะไรได้ก็ทําทําไม่ได้ก็นอนสนใจเราก็พุทโธพุทโธไปอย่าไปต้านความเจ็บ อยากไปอยากให้มันหายให้พุทโธพุทโธให้มันสงบแล้วเราจะสบายใจแล้วความเหนื่อยความอะไรเหล่านี้จะไม่มีความเจ็บของร่างกายนี้มันสู้ความเจ็บทรมานทางใจไม่ได้ถ้าเราหยุดความเจ็บทางความทรมานทางใจได้ความเจ็บของร่างกายจะไม่มีความหมายอะไรเราจะอยู่กับมันได้ไม่ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โต เรื่องใหญ่ตัวโตวคือความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากความหลงที่ไม่รู้ว่าร่างกายมันต้องเป็นอย่างนี้ก็เลยอยากให้มันไม่เป็นพออยากยังไงมันก็มันก็ไม่หายมันก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของมันยิ่งต้านยิ่งอยากให้มันหายยิ่งเครียดยิ่งทุกข์ยิ่งเหนื่อยใหญ่พอปรองได้ปั๊บเบาเลย คำถามต่อไปจากคุณสุพจน์ครับถ้าเราปฏิบัติจนจิตหลุดพ้นถึงพรานิพพานแล้วเรายังจะต้องปฏิบัติมรรคแปดต่ออีกหรือไม่ไม่หรอกมรรคแก็เป็นเหมือนยาที่เรากินรักษาโรคภัยไข้เจ็บนใจที่มีกิเลสก็เป็นใจที่ยังไม่สบายอยู่ยังทุกข์อยู่ความทุกข์ใจก็เหมือนกับความไม่สบายทางร่างกายเวลาเราไม่สบายเราก็ไปหาหมอหมอก็ให้ยามากิน เราก็ต้องกินตอนที่มันยังไม่หายถ้ากินแล้วหายกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรใช่ไหมมันหายแล้วกินไปมันก็ไม่ได้มีอะไรผลอะไระมาร์ก8นี่ก็เป็นเหมือนยารักษาโรคใจถ้าเราปฏิบัติมาร์กแปไปเรื่อยๆเดี๋ยวความทุกข์ใจก็หมดไปพอหมดแล้วก็ไม่ต้องปฏิบัติอีกต่อไปแต่ไม่ได้นะคว่าจะไม่เดินจงกรมนั่งสมาธินะแต่ก็จะกินยาเหมือนกินยาเจริญยาเสริม อย่าเจริญอายุวัฒนะไปการภาวนาของพระพุทธเจ้าพระหลานนี่ท่านไม่ได้ภาวนาเพื่อรักษาใจแต่รักษาธาตุขันธ์ร่างกายและจิตใจให้อยู่อย่างสบายไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่ยังต้องประสบอยู่อย่างเรื่องวันนี้เรื่องที่มาต้องปิดวัดเนี่ยถ้าไม่มีธรรมะเดี๋ยวร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้เฉยๆนะไ ม, ม่รู้เึกอะไร ไม่มีกินก็ไม่มีกินมันก็แค่มันก็แค่อดนะอดมากมากกว่านี้ก็เคยอดแนละ้วอดทีเจ็ดวันเก้าวันก็เคยอดอดแค่วันเดียวไม่นุศกอะไรหรอกแต่พูดเพื่อความถูกต้องเท่านั้นเองพูดเพื่อเป็นธรรมพูดด้วยธรรมไม่ได้พูดเพื่ออะไรมีคอมเมนต์มาว่าจะทำอะไรต้องอย่าให้คนอื่นเดือดร้อนเบียดเบียนคนอื่น ต้องหาแนวทางปฏิบัติให้เดือดร้อนน้อยที่สุดหรือไม่เดือดร้อนเลยก็อย่าไปทําเลยถ้าทำมันเดือดร้อนไปทไําังไงไปทําบุญกันไม่ดีกว่าชวนนักกีฬาพรุ่งนี้มาใส่บาตกัน อ, อ, อได้ได้ประโยชน์กว่าไปขี่ออแจักรยานทําบุญก่อนแล้วค่อยไปแข่งก็ได้อทำซ้อนช้างแล้วสิบโมงก็ค่อยไปแข่งกันเออได้ท<ำ> 2 2> ออั้งสองอย่างเลยเออทก็ไปแข่งตอนเท สิบโมงกว่าอเสร็จแล้วพี่าล่าทำมุญเสร็จกินข้าวมาให้เรียบร้อยอ่าก็อย่ามาปิดถนนด้เลยให้พัที่ปีกเฉียงได้ครับอีกหนึ่งเสียงจากโทราชถึงสคอนาจอมเทียนกุณาใช้เส้นทางใหม่ในการจัดงานครั้งนี้ขอให้เห็นแก่พระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหมด ร้อยกว่าองค์และญาติโยมที่มาปฏิบัติในวัดท่านต้องใช้เส้นทางนี้ออกบินทบาทการุรณาพิจารณาเส้นทางใหม่ด้วยค่ะเดี๋ยวไปถถงอะเดี๋ยวไปถึงบอกอสูงสุดเนี่นนะอ่าเดี๋ยวผู้หลักผู้ใหญ่เกิดได้ยินเดียวก็เดี๋ยวก็เต้นกันนะ มันจะปิดวัดแข่งจั ก, กรยานยั ง, นยไงไงมั <laughs> มันบ้าป่ะ <laughs> ที่อื่นไม่มีแข่งยังไง <c oughs> <c oughs> แล้วนี่รัฐประจําวัด น, นี้เป็นวัดของราชการที่เก้าด้วยนะ <c oughs> อ๋ะอรันประจําราชการที่เก้า <c oughs> อว่าราชการที่เก้าไม่อยู่แล้วอ น, นี้ <c oughs> คำถามต่อไปจากอินบ็อกซ์นะคะับเก่ยวกับคุณนินรามิตรครับการทําสมาธิโดยใช้บริกรรมพุทโธสติควรจะแนบติดเป็นอันเดียวกันกันกบจิตที่กําลังบริกรรมหรือควรจะแยกสติออกมาดูจิตที่กําลังบริกรรมขอรับ อ, อ๋อไม่อยากแยกออกมาให้อยู่กับคําบริกรรมไปไม่ต้องแยกหรอกต้องต้องการให้ให้คําบริกรรมกับจิตนี่อยู่คู่กันแล้วดีูจิตสงบแล้วคําบริกรรมก็หายไป ถามจากเฟซบุ o กไลฟ์นะคะจากคุณแัทเชลผมกําลังถูกยึดบ้านจากการโกหกและโกงของเพื่อนและอาจารย์ขอความกรุณาแผ่เมตตาให้ผมด้วยครับผมทุกข์เหลือเกินก็ไปอยู่วัดก็ได้ถ้าบ้านมันไม่ได้เป็นของเราเขาก็ต้องเอาคืนไปถ้าเป็นของเราเขาก็ยึดไปไม่ได้ถ้าเขายึดก็แสดงว่าไม่ได้เป็นของเราเราก็ต้องใช้หลักธรรมสัพเพ昙ธธมานาตตา ไม่มีอะไรเป็นของเราเหรอกเดี๋ยวตายไปมันก็เป็นของคนอื่นอยู่ดีไม่มีบ้านอยู่ก็ไม่เป็นไรดูพระพุทธเจ้าท่านไม่มีวางอยู่ท่านก็อยู่ได้แล้วท่านได้ตัดสรุปเพราะการไม่มีวางนี่ถ้ามีบ้านก็ไม่ได้บวชถ้าไม่มีไม่มีบ้านก็จะได้โอกาสไปบวชเลยก็ได้คนเรามันพลิกวิกิตให้เป็นโอกาสเองยัยงถ้ามองในทางธรรมแล้วควรจะดีใจเออไม่มีบ้านอยู่กูจะได้ไปอยู่วัดนะจะได้ไปบวช แล้วก็สบายใจงั้นถ้า ไ, ไม่จะเป็นของเราให้เข้าไปเถอะแต่ว่าเนี่ยเวลาเราเราใช้ใช้หนี้ใช้กรรมเรามักจะบ่นกันทั้งนั้นแต่เวลาเราไปยึดที่บ้านของเขามาใช้นี่เราไม่คิดกันพอเขามายึดบ้านเราบ้างก็เดือดร้อนกันใช่ไหมนี่เราไปยึดวัดกันเนี่ยเดี๋ยวเขากลับมายึดบ้านเราจะทาไงอ้าวเนี่ยคิดไม่ไม่คิดไม่รอบคอ <c oughs> มันจะเอาแต่ได้ <c oughs> พอถึงเวลาเสียบน่น หาว่าถูกกันแกล้งหาว่าถูกอะไรต่างๆนานาอะไรเวลาเราไปกลั่นแกล้งเขาไปเบียดเบียนเขาทําไมเราไม่คิดกันบ้างอย่าไปกลั่นแกล้งอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นเห็แล้วเขาจะไม่มาคําถามจากคุณเมสเซอาการท้อแท้เกิดจากอะไรคะบางครั้งหาเหตุแห่งทุกข์เพื่อดับทุกข์ไม่ถูกเพราะไม่ได้แรงใจอยากมันก็ท้อแท้เลยถ้าได้มันก็มีกําลังใจนอะ ถ้าทำงานแล้วได้เงินได้เงินนี่โอ้ยไม่ขยันหาเงินจะตายเลยถ้าทำแล้วทำแล้วมีแต่ขาดทุนมีแต่ขาดทุนมันก็ท้อแท้ทันดังนั้นถ้ามันท้อแท้ก็อย่าไปทำมันเสกก็คิดซะว่านี่ไม่ใช่ชีวิตของเราก็แล้วกันเราไม่ได้เกิดมาเพื่อล่าเพื่อรวใชะล้เราเกิดมาเพื่อเป็นพระซไปเป็นพระดีกว่าก็ไม่ต้องไปก็จะไม่ท้อแท้เพราเราไม่ต้องไปหาเงินแล้วเราไปหาธรรม คำถามจากผู้ไม่ประสมค์ออกนามถ้าเราเอาเงินกองเงินกองกลางไปทำบุญบาปไหมคะเพราะที่บ้านลูกจะใช้เงินต้องเบิกกองกลางคะ่ะแล้วถ้าเอาเงินกองกลางไปทำบุญใครจะได้บุญคะก็แล้วแต่ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเอาเงินกองกลางนั้นไปทำหรือเปล่าถ้าเขามอบอำนาจให้เราเอาเงินนี้ไปทำอะไรก็ได้ถ้าเราทำคนที่มีส่วนกับเงินกองกลางนี้เขาก็ได้บุญด้วย แต่เพราะว่าแต่เขาต้องอนุญาตแล้วเกินยกอำนาจให้กับเรา่าะเงินนี้คุณจะเอาไปทำอะไรก็ได้เอาไปลงทุนไปเปิดร้านใหม่ไปใช้ค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆหรือจะเอาไปทำบุญถ้าคนที่เขามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในเงินกองกลางนี้เขาอนุญาตแล้วเร า, เาไปทำคนเขาก็ทุกคนก็ได้ได้ประโยชน์ร่วมกัน แต่ถ้าเขาไม่ได้อนุญาตก็ให้เอาเงินกองกลางนี้มาใช้จำเพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเราเอาไปใช้นอกเรื่องนั้นมันก็เป็นการยากักยอกทรัพย์ mm hmm. เราก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนว่าจะเอาเงินไปทําบุญได้ไหม mm hmm. ถ้าอยากจะทําบุญถ้าไม่ใช่เงินของเราอย่าไปทําเลยไม่ได้บุญหรอกอยากจะทาบุญเอาเงินของเรานี่แหละแล้วไม่ต้องไปเสียรายให้เสียเวลา mm hmm. คิดว่าได้เงินมาทับ mm hmm. เยอะๆแล้วจะได้บุญเยอะมัน เท่เดิมเราทําเท่าไหร่ก็เท่านั้นอ่ะคนหนึ่งเข้ามาสมทุกขก็เป็นบุญของเขาไม่ใช่ของเราเอนเราอยากจะถวายภาพป่าเรามีพันหนึ่งลเลยไปเรียลไลน์มาได้หมื่นหนึ่งเราคิดว่าโอ เ, เราได้ถวายภาพป่าหมื่นหนึ่งไม่ได้หรอกล้วก็แค่ได้พันเดียวนั่นแหละเห็นเรามีเท่าไหร่เราก็ทําไปตามกําลังของเราเท่านั้นอมีคนแจ้งว่าโทรไปที่สถานีตำรวจแล้วค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่ามีคนโทรมาถามเยอะ ตอนนี้แจ้งไปแล้วตำรวจกําลังเช็คให้จะโทรกลับไปบอกอีกทีถ้าเขาไอมันดังทั้งวันเลยต่อถึงมาขอบคุณไอ้มันดังทั้งวันทั้งคืนเลยกลับเรียนพระอาจารย์ทางกองงานได้ประสานเจ้าหน้าที่ตํำรวจแล้วรอทางตารวจชี้แจงอยู่ครับเอมีรู้กองงานแล้วขากองงานแล้วก็ไปย่าน้อยมาเอ คำถามสกุลมั่นใจ <S <S 2> <S 2> <S 2> มีวิธีเพิ่มกำลังใจไหมครับรู้สึกว่าตัวเรากำลังใจอ่อนมากครับวิธีหนึ่งก็คือเข้าหาครูบาอาจารย์ฟังเทศฟังธรรมจากผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านี่ัะเกิดกาลังใจมากลองลงมาก็พระอรหันตสาวกลองลงมาก็พระเสกพระอนาคามีพระสกิฎาคามีพระโสดาบัน ท่านเหล่านี้จะมีกำลังใจที่จะแบ่งให้เราได้ตามกำลังตามฐานะของท่านหนึ่งเป็นธรรมเนียมที่เราชาวพุทธมักจะเลือกทาบุญกับพระดีๆเพราะทาบุญกับพระดีๆจะได้กำลังใจท่านบอกว่าทาบุญกับพระธรรมดานี้ได้หนึ่งเท่าทาบุญกับพระโสดาบันนี้ได้10บเท่าทกับพระสกิราคามีได้ร้อยเท่าทากับพระอนาคามีได้พันเท่า ทำกับพระอรหันต์ได้หมื่นเท่าทำกับพระปเจ ก, กับพุทธเจ้าได้แสนเท่าทำกับพาาระอรหันต์ตัสา ม, มาสามพุทธเจ้าได้ล้านเท่าเพราะคนที่ทำพุทเจ้านี้มีกําลังใจฆ่ากิเลสได้ตอนนั้นเลยฟังเทศฟังธรรมพอท่านบอกให้ฆ่าตัวนี้ฆ่าเลยพอฆ่าปั๊บก็บรรลุได้เล ย, ยนั้นนี่ถึงเป็นที่มาของการเลือกทำบุญ แต่ถ้าทําเฉยๆเส้นใส่บาทแล้วกลับบ้านโดยไม่ฟังธรรมก็ได้เท่ากันจะทํากับองค์ไหนก็ได้เท่ากันประโยชน์ที่จะได้คือกําลังใจจะไม่ได้ได้เพียงแต่กําลังใจที่เกิดจากการเสียสละเงินทองใส่บาทไปแต่ถ้าอยากจะได้กําลังใจที่เกิดจากการฟังธรรมนี้ต้องรอฟังหรือมีปัญหาก็ถามเลยอย่างมีชายคนหนึ่งในสมัยพุทธกาลก็เจอพระพุทธเจ้าในช่วงบิณฑบาตทก็ขอถามตอนนั้นเลย ท่านช่วยปวดสอนผมหน่อยเถิดผมอยากจะรู้อยากจะอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เหลือเกินพระเจ้าบอกตอนนี้ไม่ใช่เวลาเป็นเวลาบิณฑบาตพระจะไม่คุยกันไม่พูดเขาก็ยืนยันปวดเถิดขอเอาสั้นๆทำสองคำก็ยังดีพระเจ้าก็เลยเอเธอเห็นอะไรก็สักแต่ว่าให้เห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินรู้อะไรก็ให้สักแต่ว่ารู้อย่าไปคิดปรุงแต่ง อย่าไปตอบโต้ไปอะไรทั้งสิ้นอย่าไปอยากอย่าไปอะไรความหมายอย่างนั้นแต่ท่าไม่ได้ขยายความท่าเนเรียนเนี่ยบอกให้รู้เฉยเฉยเห็นก็รู้ใครด่าก็ให้รู้ข้อดา่าไม่ต้องเกิดอารมณ์จากการที่ได้ฟังสิ่งที่เขาด่าใครให้เงินมาร้อยล้านก็ไม่ต้องไปดีใจให้รู้เฉยเฉยความหมายเพราะถ้ดีใจเดี๋ยวเงินหายก็เสียใจก็เสียใจคพอเขาฟังก็เ ข, ข้าใจละเขาบรรล้ละ ข อ, อนุญาพุทธเจ้าจะไปเตรียมบริขารมาบวชพอดีไประหว่างทางถูกกระเทงวิดตายพอ พ, พ, พอมีคนมามาเล่าให้พุทธเจ้าฟังพุทธเจ้าบอกว่ า, าก็เผาศพเขาแล้วก็เอาสร้างเจดีย์เอาอัฐิของเขาว่ายในเจดีย์การสร้างเจดีย์นีก็มีความหมายว่าเจดีย์นี้เป็นที่บรรจุอัฐิของพาอาระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าของพระมาหาจากักรพรรดิสมัยโบราณเ็มี เหตุผลในการสร้างเจดีย์ไว้4เหตุผลเนี่ยสามสเหตุผลเนี่ยคือให้บรรจุให้เป็นถ้าเป็นหมหาจากาักรพรรก็จะสร้างไว้เพื่อจใจเป็นอนุสอนถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเป็นพระอรหันต์ก็เหมือนกันเนีย่ยเหตุการที่พระเจ้าบอกว่าให้สร้างเจดีย์แล้วเก็บอัฐิเขานี่แสดงว่าพระพุทธเจ้ารับรองว่าเขาได้บรรลุแล้วประโยชน์จากการที่ได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้า เราได้ฟังเสียงธรรมจากพระพุทธเจ้าแต่ถ้าใส่บาดเฉยๆไม่ได้ฟังก็ยังจะไม่ได้บรรลุคำถามจะครูนเฮงเฮงเวลากําหนดตอนทํางานหรือเวลาไหนก็ได้ใช่ไหมครับได้ทั้งวันเลยถ้าสตินี่เราทําได้ทุกเวลาดึงใจให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่อย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นอย่าคิดเลยถ้าไม่จําเป็นก็อย่าคิดให้รู้เฉยๆ ฝึกจิตให้สักแต่ว่ารู้ไงต่อไปเวลาใครด่าก็ให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปปรุงแต่งว่ามันด่ากูมันดูถูกกูอย่างงู้นอย่างนี้มันพูดป้ามันก็ผ่านไปเสียงเมื่อกี้เสียงดังอกมันก็ผ่านไปแล้วถ้าเราไม่เอามาคิดมันก็ไม่มีปัญหาแล้วพอมาคิดเดี๋ยวก็อุ้นวายใจขึ้นมาได้ั้นก็ปล่อยมันไปฝึกจิตให้สักแต่ว่ารู้ทาได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลย เรากำลังทําอะไรก็ให้สักแต่ว่ารู้ว่าเรากําลังทําสิ่งนี้อยู่แต่อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ดึงใจให้มันอยู่กับตัวรู้สักแต่ว่ารู้อย่าให้มันไปอยู่กับความคิดปรุงแต่งพอคิดปรุงแต่งแล้วจะเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาแล้วก็จะวุ่นวายใจขึ้นมาพาอหยุดความคิดปรุงแต่งได้ความวุ่นวายใจต่างๆจะหายไปหมดเลยจะอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆได้จะดีจะชัว่ว จะปิดถนนแม่ปิดถนนอยู่ได้ถ้าเราไม่ไปปรุงแต่งมันเราสักแต่ว่ารู้ปิดก็ปิดตอนนี้เราก็ไม่ได้ใช้ถนนอยู่แล้วนี่ยปิดก็ปิดไป ร, าารัชการน้องก็ไหว้ถามว่าคุณที่ทําบาปกับพระอาหารหันต์พระตะกิตนาคามีถ้าเขาไม่รู้ไม่บาปหรอกเขาต้องรู้ว่าเป็นพระพระเจ้าบาปบา ป, บา ป, บาปมากไหมคะเขาต้องรู้ก่อนว่าเป็นหรือเปล่า<บ>ถ้าไม่รู้ก็ไม่บาป เขาก็คิดว่าเป็นคนธรรมดาเป็นพระธรรมดาเขาก็ไม่ได้ไปคิดอะไรมากมายเราถ้าเป็นพระก็ไม่บาปหรอคะพระรรมดาก็บาปแม่ไงมันมีบาปหนักบาปเบาไงแต่ถ้าเป็นพะบาปส่ถ้าอย่างเดียวอย่างพระพระเจวท่านนี่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระทธเจ้าเ่ยแล้วพยายามไปฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งเนี่ยอันเนี้ยไปตกนรกทันทีต้องรู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่รู้ก็คิดว่าเป็นพระธรรมดาก็ก็ได้บาป แบบระดับภาธรรมดาไปเช่นพ่อแม่ถ้าเกิดเราไม่รู้เป็นพ่อแม่เราเช่นเขาเอาไปฝากเราเลี้ยงคนอื่นเนี่ยแล้วพ่อแม่มาคไปเจอพ่อแม่แล้วเกิดมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราโกรธหรืออะไรขึ้นมาแล้วฆ่าเขาแต่เราไม่รู้เป็นพ่อแม่มันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นมาตะไม่ได้เป็นการฆ้าพ่อฆ่าแม่เพราะไม่รู้ว่าเป็นพ่อเป็นแม่ระา่ก็ในโลกมันมีหลายกลุ่มไงถ้าคุกก็มีหลายปีไง สิบปียี่สิบปีตลอดชีวิตประหารชีวิตเนี่ยมันก็มีหนักมีเบาตามกันไปก็ติดนานแล้วติดไม่นานแล้วก็ทุกมากก็ทุกน้อยไฟในโลกนี้มันนรลกมันเหมือนไฟไงถ้าปิดวัดอย่างนี้ย่าบอกเยอะเลยอ่ออย่าพูดเลยเดี๋ยวไม่อยากจะเดี๋ยวจะหาว่าเอาเรื่องนี้มาเราไม่ต้องการเราเพียงแต่พเราพูดด้วยเหตุด้วยผลนั้นด้วยการขอร้องกันดีๆัถ้าไม่ไม่ไม่ฟังก็ไม่ว่าเลยพร้อมให้ปิดแล้ว เราไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องนั้นไม่ได้เอาแพ้เชนะกันอยากจะเข้าใจผิดว่าเราพอเราชนะเขาเราเราจะดีใจแล้วไม่ดีใจบางทีเราก็เสียใจเพราะเขาก็ต้องเดือดร้อนเหมือนใจจะมาขี่มันก็ก็เราถึงไม่กลาา้าพูดอย่างใดอย่างหนึ่งเ้าก็เพียงแต่พูดแบบกลางๆว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทางใดทางหนึ่งว่าเป็นอย่างนี้ถ้าคุณแข็งมันก็ได้อย่างนี้คุณคุณไม่แข็งก็ได้อย่างนี้มัน เราเราไม่ได้เป็นคนตัดสินใจเราเราก็เลยไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้มาพูดเพื่อจะเอาแพ้าชานะหรือจะมาคาดโทษว่าทําอย่างนี้เราจะตกใ น, นโลกขีดขุมนี้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมไมอยามาพูดไม่ใช่นะไม่ไดไ้พูดเรื่องราวเหล่านั้นมันมีมันมีโทษในตัวของมันอะทำแบบทำกรรมชนิดไหนไม่ว่าดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอแล้วเรื่องของกรรมท่านพระเจ้าก็บอกเรื่องเป็นอจินไต เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะมาวิเคราะห์ได้ว่ามันเป็นทำอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนั้นก็พูดได้แต่แบบรวมๆว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วท่านั้นหรือทาอะไรแล้วมันก็จะกลับมาหาเราเหมือนลูกปิงปองอ่ะหรือถ้าออสเตรเลียเขาก็มีอะไรบุ๋มแมลงเนี่ยเวี่ยงไปมันก็เวี่ยงกลับมาหาเราก็เหมือนเราไป แบ่ง เ, เสียงในในห้องที่มันมันมีเสียงสะท้อนกลับมาด่าไปมันก็กลับมาหาเราอะเมื่อไงชั่วเี้ยเดี๋ยวมันก็ย้อนมันก็กลับมาหาเราเธอดีแล้วเกินมันก็กลับมาหาเราโกหกแห่งกรรมเป็นลักษณะอย่างนั้นนี้จะจะเกิดขึ้นยังไงหรือไม่ยังไงนี่เราไม่ขอขอพูดดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าเอาธรรมะมา มามาเป็นอ่ะมันไม่ดึกไม่ถูกนี่ไม่ธรรมะไม่มีเจตนาที่จะเอามาอ ะ, อะไรกับใครก็พูดเพื่อให้เห็นเห็นกฎแห่งกรรมท่านเองแต่ตอนนี้ไม่ได้พูดถึงกฎแห่งกรรมพูดถึงความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องท่านั่นเองส่วนกฎแห่งกรรมนี่มันตายตัวอยู่แล้วจะพูดหรือไม่พูดก็ตาวว่าง ใยางมายืนใส่บาตราชวนเข้ามาใส่บามีคนสอบถามอ๋อพยังมีคนสอบถามว่าวันที่11พาจาก6 0 0าก่บาทก็ยังไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าถ้าก็ถ้าก็ปิดถนนก็ออกไม่ได้ก็ปิดถนนหน้าวัดคำถามจากคุณคงเวลาตอนเช้าไม่สามารถตัดใจลุกตื่นขึ้นมาปฏิบัติได้อยากนอนต่อตั้งใจปฏิบัติเช้า1ชั่วโมงเย็น1ชั่วโมง ทำอย่างไรดีเจ้าค้าจึงจะตัดใจตื่นขึ้นมาปฏิบัติได้ก็คือว่าการปฏิบัติเหมือนการเข้าไปในธนาคารแล้วก็ขนเงินในธนาคารเนี่ยทุกครั้งที่เราปฏิบัติก็เหมือนเขาเปิดห้องเก็บเงินให้เราไปหยิ บ, ห, บหนึ่งชั่วโมงอะ่ะคุณมีเวลาหนึ่งชั่วโมงคุณอยนอนแล้วคุณจะรีบไปขนเงินในธนาคารดีกว่านะการนั่งปฏิบัติธรรมนี้มีคุณค่ายิ่งกว่าได้เงินในธนาคารหนึ่งชั่วโมงเลยคุณ ถ้าคุณไม่ทําคุณก็ไม่ได้ทำํทำธรรมะที่คุณจะได้ก็ไม่ได้คําถามจากคุณระนัพรพ่อแม่คือพระอรหรันเราทําให้พ่อแม่เราก็ได้ทําบุญเหมือนกับทําบุญกับพระอรหันทุกวันใช่ไหมคะใช่เพราะพ่อแม่มีพระคุณกับเรามากการได้ทําบุญกับพ่อแม่ก็เหมือนกับการได้ตอบแทนผู้มีพระคุณ <c oughs> ก็จะได้บุญมาก ได้ความกตัญญูกตวเวทีความกตัญญูนี้จะทําให้เราสามารถทาสิ่งที่ดีงามต่างๆได้ถ้าเราไม่มีความกตัญญูนี้เราจะไม่ทําความดีกันดีไม่ดีอาจจะถึงกับฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้ถ้าไม่ระวังแต่ถ้ามีความกตัญญูแล้ว ร, รับรองได้ว่าจะไม่กล้าฆ่าพ่อฆ่าแม่โดยเด็ดขาดจะกราบพ่อกราบแม่ทุกวันเพราะเห็นบุญคุณของพ่อแม่ เพราะว่าถ้าไม่มีพ่อแม่เราก็เกิดมาไม่ได้คนเรามักจะลืมตรงนี้กันหมัวแต่ใช้เวลากับการไปหาเงินหาทองหาความสุขจากลูกจากเมียได้ ล, ลืมพ่อลืมแม่ไปลืมว่าการที่เรามีวันนี้ได้ก็เพราะพ่ อ, พอแม่การเสียสละการให้ของพ่อแม่แล้วเราไม่เคยคิดจะให้อะไรกับพ่อแม่บ้างไเลยหร่อความกตัญญูมันจะทาให้เราคิดไม่ให้เราไม่ลืม จึงมีธรรมเนียมงานชาวพุทธเราก็ว่าเวลากราบพระเสร็จแล้วก็ให้กราบพ่อกราบแม่ด้วยการกราบนี้ก็เพื่อนำลึกถึงพระคุณของบุคคลเหล่านี้กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ให้นึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณกราบพ่อกราบแม่ก็ให้นึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่แล้วจะทําให้เราเกิดความสำนึกความกตันอยูขึ้นมาพอมีความกตันญยูก็อยากจะทําอะไรที่ดีให้กับพ่อกับแม่ คุณพ่อแม่นี่ใหญ่หลวงมากนะพระเจ้าบอกว่าต่อให้เราเลี้ยงดูท่านแบบท่านไว้บนบ่าบนไหลให้ท่านเยี่ยวลดทัพยุจาระรดสายเราเนี่ยจนปไปจนถึงวันตายเนี่ยบุญคุณที่เราตอบแทนท่านก็ไม่หมดนะบุญคุณของท่านที่เราตอบแทนด้วยการเลี้ยงดูท่านแบบนี้ยังไม่หมดนะจะหมดก็มีเพียงทางเดียวก็คือทําให้ท่านไม่ต้องไปเกิดนอบายการไม่ไปเกิดในอบายก็ต้องทําให้ท่านเป็นพระสวัสดิบาลขึ้นมา อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพอพอท่านตัดพอพระพุทธเจ้าตัดสรู้เสร็จแล้วก็คิดถึงแม่เลยคิดถึงบุญคุณของแม่ก็พุ่งไปหาแม่ในสวรรค์ลเลยแล้วก็สั่งสอนทมจนกระทั่งท่านได้บรรลุปเป็นพระสุดาบันขึ้นมาอย่างงี้ทีนี้ว่าใช้บุญคุณได้หมดสิ้นเลยแม่ไม่ต้องไปเกิดในอบายต่อไปถึงแม้ว่าจะเคยทำบาปทากรรมมามากน้อยเพียงไรก็ตาม บุญที่ได้จากการเป็นพระสวสดาบาลนี่มันปิดประตูาบายได้อย่างสนิทเลยมีแต่จะไปพระนิพพานเพียงอย่างเดียวรฐาลีบุตรก็ให้แม่เป็นบ้านเดาวแนเหมือนกันคงอย่างนั้นไหยเราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้ยินยอ้วาวว่ามาตอไปคำ ถ, ถามจากคุณสมชายตอนนี้ผมผมรู้สึกว่าผมไม่ยินดียินร้ายในสิ่งที่ได้มาและเสียไปติดเฉยเฉยว่างสงบมากๆ นั่นหมายถึงสิทธิผมเป็นอย่างไรครับก็ยังไม่แน่นอนอ่ะมันหลอกเราก็ปากก็ไม่รู้ถ้าแน่ใจมีอะไรก็ขนออกไปให้คนอื่นไม่หมดเลยอให้เก็บไว้เท่าที่มีของที่จําเป็นจริงๆนะถึงจะได้รู้ว่ายินดีล้ายจริงหรือเปล่ามีอะไรที่เราไม่จําเป็นจะต้องมีบริจากไปเลยอะเอาเก็บเสื้อผ้าไว้สักสี่ห้าชุดก็พอมีที่หลับหลบแดดหลบฝนหลับนอนอ มีเงินพอที่จะซื้ออาหารซื้อของจาเป็นก็พอแล้วถ้ามีมากกว่านั้นก็ยกให้คนอื่นไปอันนั้นมันถึงได้รู้ว่ า, าไม่ยินดียินร้ายจริงหรือเปล่าแล้วก็ลองให้คนเขาด่าเราดูด่าแล้วเรายังจะยินดียินร้ายอยู่หรือเปล่าลองไปหยาคนให้เขาโกรธแล้วให้เขาด่าเราดูแล้วดูเท่าว่าเราจะเฉยหรือเปลาไปหยลาลังแทนดู คำถามจากคุณยุพาพรเราต้องไปจำสินที่วัดใหม่คะเวลาเราไม่มากภาวนาที่บ้านได้ไหมคะถ้าทำที่ไหนได้ก็ทำเลยแต่บางทีมันยากก็เลยต้องไปที่วัดกันสินบางชนิดนี้มันทายากสินห้านี่ทำได้ทุกแห่งที่บ้านที่ไหนก็ทำได้แต่ถ้าสินแปนี่มันยากเพราะว่ามันจะมีของมายั่วยวนกวนใจเยอะอยู่บ้านเหีียวคนอื่นเขากินข้าวเย็นล้วก็ ตับขิวขึ้นมาฮนะเดี๋ยวเห็นหน้าแฟนก็อยากจะนอนกับแฟนนะเดี๋ยว้ม่ใจต้องแยกกันอยู่แต่ถ้าสินห้านี่มันก็รักษาได้อีที่บ้านก็รักษาได้สินห้าจึงเหมาะกับผู้ครองเรือนไงสินแปดนี่เหมาะกับนักบวชเนี่ยชาวพุทธเราแบ่งเป็นสองระดับด้วยกันระดับนักบุญกับระดับนักบวชนักบุญก็รักษาสินห้าแล้วก็ทําบุญทําทานไป นักบวชก็รักษาศีลแปดแล้วก็ภาวนาไปหมดแล้วเลยคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องร้ายเป็นเรื่องดีใจต้องอยู่กับพุทโธบางครั้งถ้าเผลอลืมพุทโธเรื่องต่างๆจะเข้ามาแทนที่พุทโธแต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรใจมันกลับไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นมันอยู่แต่กับพุทโธเรื่อยไป จะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ใจมีอารมณ์กับเรื่องราวต่างๆคะก็อย่างที่ผูดเนี่ยถ้ามีพุโทโธมีสติมันก็จะไม่มีแต่มันก็ต้องขยันพุโทโธไปเรื่อยๆหรือว่าถ้าไม่มีเรื่องเราก็หยุดพุดโทโธได้ไวลาให้มีเรื่องก็พุโทโธใหม่แต่เวลาใจเฉยๆสบายไม่คิดไม่ปรุงแต่งไม่มีเรื่องมีราวก็ไม่ต้องพุโทโธก็ได้แต่พอเริ่มคิดเริ่มมีความ โลภมีความโกรธขึ้นมาก็ต้องรีบใช้พุทโธหยุดมันแต่มันก็เป็นการแก้แบบชั่วคราวไปแล้วอยากแก้อย่างถาวรก็ต้องไปวิปัสสนาไปทางปัญญาต้องไปเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์อย่าไปอยากได้ถ้าไม่มีความอยากถ้าเห็นว่าเป็นทุกข์ก็จะไม่อยากได้แล้วพอไม่อยากได้แล้วก็จะไม่มีความใจก็จะไม่วุ่นวายใจก็จะสงบสบายไปตลอด ยังนขัน้นวิปัสสนาคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามถ้าพ่อไม่เคยทําบุญสวดมนต์และยังปรมาภะด้วยแต่ตอนหลังเชื่อฟังดิฉันก็เลยเริ่มทําบุญสวดมนต์หยุดปรมาภะอย่างนี้ดิฉันจะได้บุญไหมคะและเคยช่วยให้พ่อเลิกฆ่าตัวตายด้วยค่ะก็ได้บุญไงได้ไ ด, ได้ช่วยช่วยได้ช่วยทำให้พ่อนีอ่ก็ได้ทดแทนบุญคุณของพ่อช่วยรักษาชีวิตของพ่อ คำถามจากคุณหนูปกติเวลาหนูไหว้พระหนูจะไหว้สี่ครั้งโดยครั้งที่สี่หนูจะนึกถึงพ่อกับแม่จะผิดไหมคะเพราะตามหลักต้องต้องไหว้สามครั้งคือพระพุทธธรรมประสงค์ไม่หรอกไหว้ห้าครั้งก็ได้จริงสี่ครั้งยังไม่พอต้องพ่อครั้งแม่ครั้งยังขี้เกียจอยู่เนี่ยเอาพ่อแม่รวมกันเป็นครั้งเดียว <c oughs> <c oughs> ไหว้ร้อยครั้งก็ได้ไม่มีใครห้าม คำถามจากคุณปรุงสยามการถึงพระนิพพานต้องต้องถึงมีบาบุญเป็นปัจจัยหรือไม่ครับการถึงพระนิพพานนี้ก็คือการมีศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือที่จะทำลายกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจพอใจสะอาด บ, บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาก็ถึงพระนิพพานนั้นก็ต้อง มีศีลสมาธิปัญญาส่วนการทำบุญนั้นก็ทำเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาปฏิบัติถ้าเรายังหาเงินใช้เงินอยู่เราก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติถ้าเราอยุดหางเงินเงินที่เหลือเราก็ถ้าต้องเก็บไว้ใช้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ใช้ไปถ้ามีเกินมากเกินไปก็เอาไปทำบุญให้คนอื่นไปแล้วเราจะได้ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องเงินนองทองเราจะได้มีเวลามา ปฏิบัติศิลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มที่คำถามจากคุณสุกี้เวลาโดนคนพูดเสียงดังใส่จิตเราจะไม่ชอบขึ้นมาทันทีและเราจะรู้สึกหมุดหทุกครั้งว่าทำไมต้องเสียงดงังทุกวันนี้พยายามจัดอบรมใจว่านั่นแค่เสียงแต่ว่ามันก็ยังวางไม่ลงขอพระอาจารย์ชี้แนะค่ะความความความไม่พอใจของเราเกิดจากความอยาก ให้เขาพูดดีๆพูดสุภาพพูดคำหวานพอเขาไม่พูดคำหวานไม่ถูกใจเรามันก็เลยเกิดอารมณ์ขึ้นมาเราก็ต้องสอนใจว่าเสียงต่างๆนี้มันก็เป็นเหมือนเสียงฝนฟ้าฟ้าร้องนีเราก็ไปสั่งมันไม่ได้ว่าให้มันดังหรือไม่ดังทำไมเราไม่เสียงฟ้าผ่าดังเปี้ยงเรากลับไม่โกรธไม่ไม่สะเทือนใจเพราะว่าเราไม่ได้ไปหวังอะไรจากเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่า แต่เราไปหวังจากเสียงคนโดยเฉพาะคนที่เราชอบเรารักอย่างนี้ถ้าเขามาพูดไม่ดีกับเรานี่โอ้โหถ้าลูกมาพูดไม่ดีด่าแม่นี่แม่หัว อ, อกจะแตกคนอื่นด่ายังไม่เท่าไหร่แต่คนที่เรารักนี่คนที่เราไม่คิดว่าจะมาด่าเรานี่เขาก็มาด่าเราขึ้นมานี่เราจะสะเทือนใจมากนี่เราก็ต้องสอนใจว่าเรื่องความด่านี่มันเกิดขึ้นได้เสมอ เรามาจากได้ทุกที่จากคนที่เราเกลียดก็ได้จากคนที่เรารักก็ได้เพราะบางเวลาคนที่รักเราก็อาจจะมีอารมณ์เสียก็อาจจะโกรธเราได้หน้าที่ของเราไม่ใช่ไปอยู่ที่ไปควบคุมคำด่าของคนอื่นด้วยคำชมของคนอื่นหน้าที่ของเราอยู่ที่การควบคุมใจของเราเออก็ต้องมีสติให้ใจถ้ามีสติใจจะนิ่งเวลาใครด่าอะไรก็จะเฉยได้ เพราะพยายามฝึกสติหัดท่องพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วพอไปเจอคำด่าแล้วเกิดอ า, อารมณ์ขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวไม่นานไม่กี่ไม่กี่นาทีมันก็สงบตัวคำถามสกุลอารีถ้าวันไหนเราไม่ได้ใส่บาตรกรวดน้ำอย่างเดียวได้ไหมคะไม่ได้หรอกมันไม่มีบุญจะไป <c oughs> จะไปกวดน้ำก็ได้มีแต่น้ำไม่ <c oughs> มีบุญ มันต้องทําบุญก่อนแล้วถึงจะอุทิศบุญได้เหมือนการเอาเงินไปฝากธนาคารนะถ้าไม่ไปฝากธนาคารแล้วจะไปเบิกได้เหรอคาถามจ้าคุณสมชายระหว่างไปทําบุญที่วัดกับนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านอย่างไหนได้บุญมากกว่ากันครับมันเป็นบุญคนละอย่างมันจําเป็นจะต้องมีทั้งสองอย่างคือก่อนจะนั่งสมาธิได้จริงๆนี้ต้องต้องทําบุญให้ได้ก่อนคือต้องสละเงินแปบวญ การนั่งสมาธิที่จะได้ผลจริงๆนี่ต้องต้องนั่งเยอะๆไม่ใช่แค่นั่งแค่ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงอันตอนนั้นยังไม่ได้ผลหรอกเพียงแต่หัดหัดนั่งไปเท่านั้นเองบางคนคิดว่านั่งสมาธิแล้วก็อุทิศบุญได้พวกขี้เหนียวว่างไรมันจะไปได้อะไรยังมันจิตยังไม่สงบมันเห <c oughs> มือนปลูกต้นไม้ยังไม่ออกดอกออกผลแล้วจะเอาผลไปให้เขาได้ยังไงแต่ปลูกต้นไม้ก่อนมันจะออกดอกผลมันเป็นปี คนที่นั่งจิตรวมได้นีมันทีต้องปฏิบัติเป็นปีอ่ะมันถึงจะรวมได้เขายังไม่ไดยอมอุทิศบุญด้วยการนั่งสมาธิแล้รักษาศีลเนี่ยเขาเอาเงินทาบุญเอาเงินไปทาบุญนี่ทปุ๊บได้ปั๊บเลยพอทำปั๊บใจเย็ด ใ, ใจมีความสุขขึ้นมาเลยอย่านั่นก็ต้องมันเป็นขั้นขั้นต้องทาบุญทาทานก่อนทำจนกระทั่ง ใบบวชได้นั่นแนหะไม่ต้องใช้เงินจะได้มีเวลานั่งสมาธิได้เต็มที่เลยแล้วอย่างนั้นนะจิตก็จะสงบได้บุญเยอะแต่ถ้ายังมาวุ่นวายกับการหาเงินใช้เงินอยู่เนะี่ยไม่มีวันหนั่งสมาธิไปไงก็ไม่มีวันได้ผลก็ได้แต่นั่งไปเท่านั้นเองได้ผลก็อาจจะนิดหน่อยๆน่อยถ้าเป็นผลละมาน ก, กไ็ได้แทะเปลดกมันหน่อยเนะี <c oughs> ่ยยังไปไม่ถึงเนื้อหรอกเ <c oughs> <c oughs> ปลอกลูกๆกลมๆ คำถามจากคุณฉัตรสุดาพรใส่บาตแล้วไม่ขวดน้ําได้ไหมคะตั้งอธิษฐานจิตอุทิศได้ไหมคะได้การอุทิศบุญนี้ไม่ต้องมีน้ําหรอกน้ํานี่เป็นเพียงแต่สั ญ, ญลักษณ์ของบุญคนเรามองไม่เห็นบุญกันครูบาอาจารย์ท่านก็เลยให้เอาน้ําเปรียบเป็นเหมือนบุญแล้วเวลาเราเทน้ําลงไปในภาชนะก็เหมือนกับเราส่งบุญที่มีอยู่ในใจนี้ไปให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้ว เวลาเราจะอุทิศบุญนี่จริงๆไม่ต้องมีน้ำนล้วก็ระ ล, ลึกไปภายในใจว่าขอให้ขอให้บุญส่วนนี้ที่ได้ทําในวันนี้ไปแก่ผู้นั้นผู้นี้ถ้าเขารอรับอยู่เขาก็จะรับไปได้ทันทีแล้วไม่ต้องมารอให้พระสวดยะถาสัพพีเป็นคนละเรื่องกันนะการอุทิศบุญนี่เราอุทิศของเราเองไม่ต้องมีพระมาสวดการสวดของพระนี่เป็นการสอนถ้าเราอ่านคําหมายของยะถาวาลีวหาปูราเนี่ย มันจะแบ่งเป็นสองส่วนเวลาพระผู้นำกล่าวยถานิท่านแสดงอนิสงค์ของบุญที่เราทําว่าสามารถแบ่งให้แก่ผู้นิรวงรับไปแล้วได้แล้วพอเวลาพระสวดพร้อมกันนี่พระให้พร อ, อแสดงธรรมว่าเหตุที่จะทําให้พวกเราเจริญด้วยอายุวันณนะสุ ข, ขพะพละก็คือการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็มีความเสียสละแบ่งปัน เวลาทำบุญยังให้อ่อนน้อมถ่อมตนด้วยเวลาใส่บาตรไม่ให้ใส่รองเท้าเพราะผ้าไม่ได้ใส่รองเท้าแต่เราใส่รองเท้านี่ถือว่าเราไม่อ่อนน้อมถ่อมตนเรายืนสูงกว่าพระเราถือว่าเราคล้ายๆไม่ยอมลดตัวลงเองลงต้องต้องต้องลดตัวเองลงให้ต่ำกว่าพระอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เสียสละแบ่งปันข้าวของเงินทองที่เรามีอยู่ ถ้าทำอย่างนี้ได้ทำกับพระได้ต่อไปก็ทำกับคนอื่นได้ถ้าทำได้ไปอยู่ที่ไหนกับใครก็มีแต่คนเขารักเรายินดีที่จะช่วยเหลือเราสงเคราะห์เราเราก็จะมีความเสเลิริญในล่ในอายุวันน่าสุขปะปละอันนี้เป็นเป็นเป็นพิธีกรรมเป็นการสอนแต่ญาติโยมฟังก็ไม่เข้าใจความหมายก็คิดว่า โอ้ยผาผ้าสวดยาถาสัพเพแล้วโอ้โหสิ่งดีๆต่างๆจะจะเกิดขึ้นถ้าแทงหวยก็จะถูกหวยถ้าจะทำการค้าก็ร่อมรวยไม่มีหรอกไม่เกี่ยวกันพอหรือยังเหือเหลอกี่เหลอีคำถามอีกสออีกมีคนถามว่าถ้าถ้าเกิดว่าลืมกวดน้ำตอนเช้าแล้วกวดตอนบ่ายได้ไหมคะได้ได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เออมันไม่ มันไม่เต็มร้อยเหมือนตอนที่ทําปุ๊บกูกดไปทันทีพอ บ, บายแล้วเกิดไปเจออารมณ์บูดเดี้ยวขึ้นมาเดี๋ยวมันนึกถึงมันย่อดลงอารมณ์บูดเดี้ยวไปบุญมันก็บูดได้คำถามสุดท้ายจาคุณยูพอดีลูกทําบุญโดยการให้อาหารกับลูกน้องทุกเช้าแล้วฟังบทสวดมนต์และแผ่นเมตตาลูกทําถูกไหมคะเป็นบุญไหมคะก็ให้อาหารก็เป็นทำเป็นการให้ทานเหมือนกับใส่บาตรนี่แหละ ส่วนการสวดมนต์ก็เป็นการฝึกสติไปก็ได้ได้ประโยชน์คนจะทำเพราะเราต้องเริ่มต้นจากของง่ายไปหาของยากต่อไปมีคำแนะนงไหมปิดท้ายรายการ <c oughs> มีแล้วหยุดหมดละมีครับเดี๋ยวเอารองดูผมไม่ได้ดูนะไม่ใช่ครับเน ส่วนหญก็เนี่ยพาโทรไปสถานีตารวจแล้วก็มีคนบอกว่าไม่ไม่เห็นด้วยที่จะมาจับที่วัดเพราวัดไม่ได้จนดกีฬาแต่ยังไม่บอกว่าต้องการเอกสารเป็นยังไงยังยังยังไม่มีคนมาไม่ไกก็อย่างน้อยเราก็ได้แสดงเหตุแสดงผลของผลกระทบที่ยะตามมาแล้วก็แล้วแต่ท่านผู้มีอํานาจทั้งหลาย วัดเป็นสถานที่ที่ต้องการความสงบให้คนมาทำทานรักษาสิงเจริญภาวนาไม่ใช่สนามกีฬาค่ะในวงเล็บไม่ใช่ไม่ใช่วิจารณญาณในการกจิจัดกิจกรรมไม่เหมาะไม่ควรค่ะก่อความเดือดร้อนให้กับผู้อาศัยในวัดเป็นจำนวนมากค่ะทางเจ้าหน้าที่โตโยตา้าท่านได้ยินก็ดีมีคนบอกว่า ถ้าเกิดมาจัดล้วติดใจเดี๋ยวสงสัยอีจะมาอีกตึก็ต้องมีต้องมีอยู่เรื่อยๆถนนแถวนี้มันน้ามันน้าแข่งก็แข่งเวลาอื่นก็ได้ให้มันหลังเพลงเวลาเรื่องคนกินอยู่เรียบร้อยหมดปัญหาเรื่องกินเรื่องปากเรื่องทองแล้วทีนี้ก็จะแข่งกันทั้งวันก็ไม่มีใครว่าเนี่นตั้งแต่ตีสี่ไป